เจริญพรทุกๆ ท, ท่านก็เลยหลวงพ่อขอนุโมทนาพลังอนุโมทนามันแรงนะอนุโมทนาคุณเกลียงไกรคุณแม่บุตร ส, สร้างสถานที่นี้ขึ้นมามีแบบอย่างอย่างนี้มีแบบอย่างมาก่อนคนสมัยพุท ธ, ธาลคนไหนมีกำลัง เขาก็ไม่ได้เอาไว้เสพสุขคนเดียวเขาก็เผื่อแผนะ่ทำคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมมันอย่างอาาถีิกะมันอย่างนางวิสาขาละพวกนี้คนไทยเราแต่ก่อนก็เหมือนกันถ้าพอมีพออยู่พอกินแล้วนะส่วนเกินเนะขาให้กับสังคมไม่ได้เก็บไว้คนเดียวพระพุทธเจ้าบอกกินคนเดียวไม่มีความสุข งันวันนี้ก็เป็นวันเปิดแสดงธรรมคราวแรกลมัง่งใช่ไหมทั้งแรกของบ้านจิตสบายถ้าพวกเรามาฝึกฝนธรรมะนะมาเรียนธรรมะนะถ้าเรียนได้เต็มที่จริงๆสุดท้ายแล้วจิตสบายจริงๆเรียนแล้วต้องเรียนจนจิตมันเข้าถึงความสุขความสบายจิตที่จะเข้าถึงความสุขความสบายอย่างแท้ จ, จริงได้ จิตเราปล่อยวางความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะสิ่งที่เราจิตมันเข้าไปยึดไปถือนะั่นแหะเป็นภาระของจิตงั้นเราจะต้องเรียนต้องศึกษาธรรมะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยจิตจะวางความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปสิ่งที่จิตยึดมากที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองมันยึดในกายยึดในใจนี้แหละแล้วทําไมจิตถึงจะไปยึดมัน เพราะมันห่วงแผ่นมันรักมันห่วงแผ่นมันคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของพิเศษเนี่ยมันไม่มีสติมีปัญญาเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของพิเศษะในสายตาในความรู้สึกของพระอรหันตนะ์ร่างกายจิตใจหรือตัวขันห้าเนี่ยเหมือนงูพิษแท้ๆเลยเราจําเป็นต้องอยู่กับงูพิษห้าตัวนี้ะงูพิษห้าตัวนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษนะ เผลอเมื่มอไหร่มันนําความทุกข์มาให้ทันทีเลยขาดสติเมื่อไหร่นําความทุกข์มาให้ขยับไม่ดีงูก็กัดขันห้านี่เป็นตัวทุกข์ล้นล้วนเไม่มีอะไรจะทุกข์เหมือนตัวขันห่านี้เลยสิ่งที่เรียกว่าขันห้าขันห้านันนะมารวมกันเข้ามาก็ามาเป็นตัวเราถ้าแยกออกไปนะก็เป็นขันห้าห้าอย่างก็ได้แก่ร่างกายนีนะ้เป็นตัวรูปธรรมรู ป, ปรขัน ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางร่างกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆทางจิตใจนี่เรียกว่าเวทนาขันความจําได้ความหมายรู้เช่นจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําสัมผัสได้อันนี้เป็นตัวสัญญาขันนะสังขารขันเป็นความปรุงดีปรุงชั่วจิตของเราเนี่ยไม่ยอมรู้อารมณ์อย่างเดียว รู้เราต้องปรุงด้วยนะเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วตัวปรุงเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารขันจิตเราก็ไม่ใช่ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวนะบางทีเขาวิ่งไปรู้ทางตาวิ่งไปรู้ทางหูวิ่งไปรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งไปรู้ทางใจเช่นไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งจิตก็ว Β ิ่งไปทางสวารต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตเที่ยวร่อนเร่อยู่ทางสวารต่างๆนีๆ่เขาเรียวกวิน ญ, ญ, ญาณนะ วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูก็เลยเป็นวิญญาณาขันวิญญาณเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้อารมณ์ห้าตัวนี้หละคืองูพิดห้าตัวะเป็นตัวร้ายกาศถ้าเราสติปัญญาไม่พอเรารู้สึกไอ้งูห้าตัวนี้ไม่ใช่งูหรอกเป็นปลาไหลทองคําอะไรอย่างนั้นไปนึกว่าของดีห่วงนะ่ารักรักที่สุดเลย เพนั้นอย่างพระรหันนะท่านเห็นมาขันห้าเป็นตัวทุกจริงๆถ้าท่านจะตายนะท่านเบิกบานนะท่านจะเบิกบานท่านจะแจม่มใสอย่างพวกเราถ้าจะตายเราคงเศร้าหมองของดีกำลังจะแตกจะดับแล้วนะตัวร่างกายนี้ก็จะตายแล้วแถมต้องจากคนที่เรารักอีกต้องจากทรัพย์สมบัติของเราอีกนะจิตใจเศร้าหมองนะจะแตกต่างกันตรงนี้แหละพระรหันท่านไม่ได้ยึดได้ถืออะไร ท่านจะไปไหนมาไหนท่านเบาไม่ต้องแบกภาระของเรามีภาระมากคือขันห้านี้เป็นภาระอันใหญ่พอมีขันห้ามารวมกันเป็นตัวเรานะก็เริ่มมีของเรามีพ่อแม่ของเราลูกเมียของเราครอบครัวเราบ้านเรารถยนต์เราหน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศของเรามีสิ่งที่ต้องดูแลสิ่งที่ต้องรักษาแนละมากมายไกลกองเหลือเกิน ไม่ว่าเรามีอะไรนะเราก็ทุกข์เพราะนั้นแหละมีร่างกายเราก็ทุกข์เพราะร่างกายร่างกายนี้มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเนี่ยต้องให้มีสติมีปัญญารู้ทันความจริงเข้าไปเลยอย่างร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายความทุกข์บีบคั้นร่างกายอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็มึน เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวต้องการขับถ่ายนะต้องการอย่างน้นต้องการอย่างนี้ตลอดเวลาเลยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกสุความรู้สึกทุกข์ก็เหมือนกันนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่เราอุตส่าห์ไปบริหารร่างกายนะไปกินข้าวมานะพักผ่อนให้สบายเลย คิว่าจะมีความสุขในร่างกายนี้นานๆสุขไม่นานเดี๋ยวก็ทุกข์อีกละอย่างเรานั่งเฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยนะนั่งเฉยๆก็ทุกข์ลองนั่งแล้วไม่กระดุกกระดิกสิแล้วจะรู้ว่าทุกข์ขนาดไหนทําไมเราต้องกระดุกกระดิกนั่งเราต้องขยับไปขยับมาเพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองมันทุกข์ตลอดเวลานะแต่ว่าเนี่ยคนทั่วไปไม่มีสติปัญญาที่เห็นร่างกายเป็นทุกข์ เวทนาก็เป็นทุกข์นะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยดิ้นหาความสุขมาแทบตายนะความสุขอยู่ประเดี๋ยวประดาวความสุขก็าหายไปอีกแล้วนี่ยมันไม่มีของอะไรที่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ไปทําบุญนะไปฟังเทศฟังเทศจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมฟังฟังธรรมะจิตใจมีความสุขพอหยุดฟังประเดี๋ยวเดียวนะหรือพระเทศยาวไปหน่อยนะไม่มีความสุขแล้วอยากไปเที่ยวต่อละได้เวลานัดแล้ ความสุขก็อยู่ประเดี๋ยวประดาวนะแ ป, ป๊บเดียวก็หายไปละกูศลก็อยู่ประเดี๋ยวประดาวมีศรัทธาอยู่สักพักหนึ่งก็เบื่อแล้วไม่อยากศรัทธาละอย่างที่แรกเราก็ศรัทธาพระพุทธเจ้านะแต่พอพระพุทธเจ้าบอกให้เราลดละกิเลสเนะี่ยไม่ให้หลงโลกไม่ให้อะไรนะั้นมันขัดใจเราเราอยากหลงโลกเราก็ชักจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อเชื่อไปอย่างนั้นแกรนี่แกรนไว้ก่อนนะขอหลงโลกไปก่อนมีคนจนํานวนมากเลยนะคนหนึ่งก็คือหลวงพ่อสมัยก่อนนะ เคยคิดนะว่าอายุห้าสิบเราจะบวชตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสักห้าสิบเราค่อยบวชนะเราใช้ชีวิตให้คุ้มค่าซะก่อนนี่กิเลสมันหลอกนะมันหลอกเอายับเยินเลยพอภาวนาเป็นนะอยากบวชอายุยี่สิบกว่ายี 29, ่สิบเก้าภาวนาเป็นอยากบวชที่สุดเลยแต่บวชไม่ได้ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีภาระบวชไม่ได้ใครก็เป็นทุกข์นะอยากบวชแต่วบวชไม่ได้ใครจะเลี้ยงพ่อแม่เรา เราหนีไปบวชไปที่พานลงคอหรือไปไม่ลงหรอกนะเนใจนะอะไรๆนะั้นชีวิตจริงๆนะั้ดูเฮ่ยเหื่อมีแต่ทุกข์ล้น้นเลยมีแต่ปัญหาล้นๆ้นเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงจะเห็นมันมีแต่ทุกขนะ์ใจมันอยากบวชมันก็มีความทุกข์นะพอใจอยากบวชมีความทุกข์ไม่ได้บวชทุกข์เยอะอ ย, อยู่ไปอยู่ไปชักจะชินชนะิน อังแล้วไม่ได้บวชก็ภาวนาในเพศคารวะ น, นี่แหละไม่มีโอกาสอยู่วัดไม่มีโอกาสอะไรนะก็ภาวนาในเพศคารวาะภาวนามาก็รู้สึกความอยากบวชมันก็ลดลงตอนหลังๆนะั้นรู้สึกเลยบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ใจรู้สึกอย่างนี้เห็นไหมใจมันเปลี่ยนตลอดไม่ใช่คนอื่นหรอกนะหลวงพ่อเองใจยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยนั่นใจของเราเองนะความปรุงดีปรุงชั่วะสารพัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอด บางทีมีความสุขนะปรุงจิตใจเป็นกุศลอยากฟังธรรมนั่งรถมาจะมาฟังธรรมเห็นคัดเอาโฆษณาขายของบิ๊กเซลอะไรเนี้ยนะเอาละเดี๋ยวขอไปเซ ล, ล์ก่อนนะไปก่อนลนะเน้ใจมันเปลี่ยนเพราะนั้ใจเรานะจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะก็ชั่วคราวนะอย่างใจเราโกรธไม่ต้องทำอะไร ความโกรธก็หายได้เองเชื่อไหมความโกรธก็ไม่เที่ยงะเนี่ยถ้าเราหัดภาวนานะเราจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ถูกบีบคัน้นเห็นแต่ของที่มันไม่ใช่ตัวเราของเราที่เห็นอยู่นี่ซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปตัวจิตตัวใจก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้เพ่งนะเดี๋ยวก็เผลอไปที่น้นที่นี้เผลอไปทางตานี่เผลอไปดู เผลอไปทางหูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปลิ้มรสเผลอไปรู้สัมผัสทางกายเผลอไปคิดนึกทางใจใจนี่ทำงานอุตลุดทั้งวันทั้งคืนเลยร่างกายยังพอได้พักนานวันหนึ่งพักร่างกายหลายชั่วโมงตอนนอนหลับแต่จิตใจพักไม่นานนะพักประเดียวประดาวน์เนก็ขึ้นมาฝันต่อแล้วนอนไปไม่นานนะสงบไม่นานนะจิตมันต้องการพักไม่มากนล้วใจก็ฟุ้งขึ้นมาทํางานต่อ เนี่ยถ้าเรามาเฝ้ารู้อยู่ในขันห้าของเรานะในร่างกายร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายก็มีแต่ของเป็นทุกข์ในเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขนะ์ทางกายหรือทางใจก็ดีนั่นแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยนะบังคับก็ไม่ได้อย่างสั่งให้จิตใจมีความสุขมันก็ไม่มีด้วยความทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตใจไปห้ามมันก็ห้ามมันไม่ไดนะ้มีแต่ของห้ามไม่ได้ของบังคับไม่ได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง จิตจะเป็นกุศลหรือจ ouais> ิตจะเป็นอกุศลก็สั่งไม่ได MM ้อย่างเราสั่งให้สติเกิดเนี่ยสติไม่ยอกเกิดเลยก็ได pues claro ้ไม่ได้จงใจจะให้สติเกิดสติมีเหตุสติก si ็เกิดได้ถ้าสติมีเหตุคือจิตมันจําสภาวะได้แม่นอย่างเราหัดดูบ่อยๆเวลาใจลอยไปเรารู้ใจลอยไปเรารู้นะจิตมันจําสภาวะใจลอยได้พอใจลอยปุ๊บสติเกิดเองเลยเนี่ยสติมีเหตุสติก็เกิดนะถ้าไม่มีเหตุ สั่งยังไงก็ไม่เกิดไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งสุขทั้งทุกข์นะร่างกายเราก็สั่งไม่ได้จริงนะสั่งไม่ได้จริงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนะแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้ถ้าดูเป็นจะเห็นเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเป็นโปรงโปรงนะร่างกายถ้าเราภาวนาไปเห็นร่างกายเป็นโปรงเป็นถ้ำจิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว ในจิตไม่อาศัยเปล่าๆนะไปยึดถือว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเราเนะนี่ยการปฏิบัติธรรมนะมาเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าให้มากๆไปถ้าเรียนรู้เรื่องร่างกายเรื่องรูปนะเรื่องเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกเรื่องสัญญาคือความจําจําได้จําได้หมายรู้นะเรื่องสังขารนี่คือความปรุงดีปรุงชั่ว เรื่องวิญญาณก็คือความรับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียนให้มากๆเครื่องขันห้าถ้าพวกเราชาวพุทธไม่เรียนเรื่องขันห้าไม่เรียนเรื่องรูปนามนะเราจะไม่ได้สาระแก่นสารของพระพุทธศาสนาลําพังการทําทานการรักษาศีลการทําสมาธิเนี่ยมีในทุกๆศาสนา แต่เรื่องการเจริญปัญญาเรียนรู้รูปนามเรียนรู้ขันห้ามีเฉพาะพระพุทธศานะสนาศาสนาอื่นเขาก็มีนั่งสมาธินะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะมีทุกศาสนาแต่เรื่องการเจริญปัญญานะีมีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าเจริญปัญญาก็คือการมาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามนะของกายของใจของธาตุของขันในพวกนี้เองที่มาประกอบเป็นตัวเรา ถ้าเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงเรียนก็เพื่อให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนะว่าขันห้ามันไม่เที่ยงนะขันห้ามเป็นทุกข์นะขันห้ามันบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้นะใจมันจะคลายความยึดถือในตัวขันห้าออกวันใดที่ใจไม่ยึดในขันนะใจก็พ้นจากทุกข์ใจก็พ้นจากโลกเคยได้ยินคำว่าโลกุตตะละไหมโลกุตตะละโลกุตตะละแปลว่าอะไรโลกกับอุดร อุตระโลกะอุตระสิ่งที่เรียกว่าโลกเนี่ยนะก็คือขันธานั่นแหละรูปนามนั่นแหละเรียกว่าโลกเหนือจากรูปนามะเหนือโลกก็คือเหนือรูปนามใจพลากออกจากรูปนามนะใจไม่ยุดรูปนามนะนั่นแหละตัวโลกุตระโลกุตระไม่ใช่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ซ้อนอยู่บนโลกกันนี้ะไม่ใช่ไม่ใช่โลกที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆะไม่ใช่ โลกุตตระก็คือสภาวะธรรมซึ่งมันพ้นจากรูปจากนามนั่นแหละแต่เราพ้นรูปนามไม่ได้เพราะเราห่วงแหนรารักจิตเราเองแหละ ย, ยึดเราไว้กับโลกนะไม่ใช่โลกดึงดูดเรานะเราแหละไปดึงดูดโลกเอาไวนะ้นักนิจศาสตรทว่าโลกมันดึงดูดใช่ไหมแต่นักมิจฉ า, ศ า, ศ า, ศาศเขาก็รู้นะว่าร่างกายคนก็ดึงดูดโลกเหมือนกันนะมันดึงดูดซึ่งกันละกันนะไม่ใช่ดึงข้างเดียวเรา แต่จิตใจของเราันที่หลงโลกจิตเราไปดูดโลกนะโลกไม่ได้ดูดจิตใจเราเราไปหลงโลกเองนเาโลกนี้นําความสุขมาให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานมาให้นะก็หลงโลกเราเคยได้ยินคนเขาด่ากันไหมไอ้คนนี้หลงโลกนหลงโลกคือมันหลงอะไรมันหลงไปหาความสุขทางตาทางหูอะไรทางนี้ใช่ไหมหาแต่ความเพลิดเพลินไปหลงโลกนะงั้นเรามาเรียนรู้โลกนะ มาเรียนรู้รูปนามไม่ให้มากอยากคิดว่ายากเกินไปฟังครั้งแรกยากฟังแล้วฟังอีกจะเข้าใจจำเป็นที่พวกเราชาวพุทธต้องเรียนเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องธาตุเรื่องขันนะนี่วันนี้ก็มีโยมเป็นโยมที่อยู่กับคุณแม่จันดีน้องสาวท่า น, จ, น, านจันมหาบัวเนี่ยจันมหาบัวเนี่ยเขาคงเป็นพยานให้หลวงพ่อได้ เช่มหาบัวสอนถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะแยกรูปแยกนามไม่เป็นย่อมาพูดเรื่องเจริญปัญญาเลยไม่มีหรอกมีแต่ทําความสงบเฉยๆนะไม่แยกรูปแยกนามนะไม่มีหรอกเจริญปัญญาะการแยกรูปแยกนามก็คือแยกขันนั่นแหละะบางคนแยกเป็นขันบางคนแยกเป็นธาตุบางคนแยกเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แยกยังไงก็ได้ให้มันแยกก็แล้วกัน ทำไมเราต้องแยกแยกสิ่งที่เป็นตัวเรานะออกเป็นส่วนๆแลนะ้วเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าทุกๆส่วนนั้นไม่มีตัวเรานะนี่คือวิธีเรียนธรรมะนะเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ามีรถยนต์จริงๆจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆนะมันจะพบว่าพวงมาลัยนนะ ก, นนก็ไม่ใช่รถยนต์ะกัชนชนก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์นะ เบาะมันก็ไม่ใช่รถยนต์อะไรๆก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดจับมันถอดเป็นชิ้นๆแล้วรถยนต์รถยนต์หายไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เหมือนกันถอดเป็นชิ้นๆแล้วตัวเราจะหายไปตอนนี้เรามีตัวเราอย่างเข้มข้นเลยเพราะว่าเราหลงอัขันห้าขันห้ามันมารวมกันแล้วเราสําคัญมั่นหมายผิดๆว่ามีตัวเราจับมันมาแยกธาตุแยกขันดูนะการแยกธาตุแยกขันเนี่ยถึงเป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนานะต้องเรียน ถ้าจะเป็นชาวพุทธทั้งทีนะเอาแต่ทําทานถือศีลอะไรพวกนี้ทําสมาธิพวกนี้ยังไม่ใช่ชาวพุทธร้อยเปอร์เซนตหรอกาศาสนาอื่นก็มีบอกวนะ่าศาสนาอื่นก็มีนะจะเป็นชาวพุทธร้อยเปอร์เซนตต้องเรียนธรรมะที่เป็นลักษณะเฉพาะเป็นคําสอนเฉพาะของพระพุทธเจ้าให้ได้ลักษณะเฉพาะคําสอนเฉพาะของพระพุทธเจ้านี่แหละก็คือการเจริญปัญญาหรือการทำํำมิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง การทำวิปัสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเนี่ยทำไปเพื่อล้างความเห็นผิดนความเห็นผิดว่ามีตัวเราล้างความเห็นผิดว่าธาตุขันธ์เนี่ยเป็นของดีของวิเศษนะถ้าเราล้างความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราได้แล้วความรักความห่วงแผนจะเริ่มลดลงถ้าล้างความเห็นผิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษได้ความยึดถือจะถูกทำลายไปถ้าเมื่อไหร่หมดความเห็นผิดว่าธาตุขันธ์นี่เป็นตัวเรานะ จะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่หมดความยึดถือในธานในขันธ์นี้ได้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ยากเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้มนุษย์ธรรมดาคนแรกเลยที่ทําได้ก็คือเจ้าชายสิทธัตถะะท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาท่านเคยมีกิเลสไหมท่านก็เคยมีกิเลสใช่ไหมท่านจะมีโลภโกรธหลงอะไรไหมท่านต้องมีใช่ไหมถ้าท่านไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยท่านก็คนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่เองนะ แต่ว่าท่านเป็นคนที่บารมีมากท่านเห็นเลยว่าโลกนี้ไรสาระไม่เหมือนพวกเรานะบารมีไม่เท่าท่านนชีวิตความเป็นอยู่ไม่สุขไม่สบายเท่าท่านเรายังเห็นว่าโลกนี้มีสาระอยู่เลยแต่บารมีท่านเต็มแล้วท่านเห็นโลกนี้ไรสาระเพราะท่านเห็นขนาดนี้ใจท่านเอียนนะใจท่านเบื่อหน่ายจากโลกใจท่านถอนตัวออกจากโลกมาศึกษาธรรมะศึกษาทีแรกไม่ได้ไปทาอะไรไปหัดเข้าสมาธิ เนี่ยถ้าเข้าสมาธิแล้วบรรลุพระอราหันต์ได้นะเจ้าชายสิทธาเขาบรรลุพระอราหันต์ตั้งแต่ไปเรียนกับฤศีแล้วฤศีเองก็ต้องเป็นพระอราหันต์อาราตะตาบทหรือทักษดาบทไม่ใช่พระอราหันต์นะเนี่ยทาสมาธิได้นะเสร็จแล้วท่านรู้สึกว่าเออทำสมาธิเฉยๆนะไม่เห็นจะล้างกิเลสได้เลยตอนอยู่ในสมาธิก็มีความสุขดีหรอกออกจากสมาธิมาความทุกข์มันก็กลับมาอีกแล้วนะนี่ท่านเห็นอย่างนี้นะท่านก็รู้สึกว่าวิชานั่งสมาธิเนะี่ย มันล้างกิเลสไม่ได้จริงแค่สิบกว่าปีก่อนนะสมัยนั้นหลวงตานะท่านอาจารย์มหาบัวลงรุ่นหลวงพ่อนี่เขาจะเรียกท่านอาจารย์พระมหาบัวนะจะเรียกจนปิดปากเงี้ยตอนหลังๆเราเรียกแค่ว่าหลวงตาหลวงตานะหลวงพ่ออนุโลมตามโลกก็แลนะ้วกันแล้วฝืนๆเรียกหลวงตาหลวงตาไปออกโทรทัศน์เคยดูนานนักหนาแนละ้วรายการอะไรจําไม่ได้ลนะ้ว ของใจพบะเสร็จแล้วก็ถามทวายไลท์ทวายไลท์โชว์ใจพบเมากลับไปถามหลวงตาหลวงตาครับถ้านั่งสมาธิมากๆเนี่ยจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาถามฮะอะไรนะทําอะไรนะนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนั่งสมาธินั่นเราก็ทํานะไม่ใช่ไม่ทําแต่เราทําเพื่อให้จิตมีพลังให้จิตสงบจิตมีพลัง อจิตสงบจิตมีพลังแล้วต้องมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นจุดตั้งต้นอยู่ที่หัดแยกธาตุแยกขันให้ได้นะที่นี่มีซีดีแจกไหมหลวงพ่อแนะนํานะไปฟัง c ีดีนะหลวงพ่อเทศน์ไว้เยอะเลยเรื่องแยกธาตุแยกขันนะคงมีในทุกๆแผ่นเนาะลองไปฟังดูนะหัดแยกไปเรืหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเออกเป็นส่วนๆถ้าแยกได้แล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดตัวเราไม่มี ตัวเนี้ได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วแน่วแน่แนว่วแน่มั่นคงแล้วว่าในอนาคตจะต้องพ้นทุกได้ก็ภาวนาต่อไปอีกนะจะเห็นเลยนะร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆอย่างตอนนี้พวกเราเห็นไหมร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆไม่เห็นหรอกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังมีสุขอยู่เพราะฉะนั้นไม่ปล่อยหรอก ยังดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ได้อยู่มีโอกาสมีทางเลือกอยู่ะถ้าเราพานานะตามมีสติรู้อยู่ในร่างกายเนืองเนืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกทุกข์จริงไม่จริงลองหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้าสิแล้วจะรู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ทำไมเราหายใจออกแล้วมันก็ทุกข์นะเราต้องหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์หายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะ ต้องหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์เห็นไหมร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์แล้วจะมีเหลือตรงไหนที่ไม่ทุกข์อีกยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์คอยรู้สึกอยู่ในตัวเองแล้วจะเห็นว่ามันทุกข์คนทั่วไปไม่เห็นความทุกข์ในร่างกายหรือไม่เห็นความทุกข์ในจิตใจหรอกเพราะไม่เคยสนใจที่จะดูวันๆนะฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นตลอดเวลากลับมามีสตินะมามีสติมีความรู้สึกตัว มีสมาธิให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปจะเห็นว่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกขนะ์นั่งก็ทุกข์นะเรานั่งนานๆทุกข์ไหมมีใครนั่งแล้วยังไม่ได้ขยับตัวเลยมีไหมเห็นไหมนั่งเนี่ยทําไมอ่ะทําไมต้องทำนี้แก่เมื่อยแต่พวกเรานะพอเมื่อยปุ๊บเราขยับปับ๊บรู้หรือไม่แล้วใครยังไม่ขันบ้างเลยนั่งมานานแล้วมีไหม นั่งมาไม่คันเลยพวกเป็นโรคเรือนไม่รู้สึกเลยนะเคนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็คันเนี่ยพอเราคันเราก็เกาใช่ไหมเกาแล้วก็อัตโนมัติเนี่ยอย่างไอ้หนุ่มใส่แว่นเนี่ยเมื่อกี้ก็เกาแล้วนะแต่เราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกเลยเพราะงั้นเราไม่เห็นเลยว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในร่างกายแล้วร้อนขึ้นมาเราก็คว้าพัดมาพัดละเย็นละร้อนแล้วเดินเข้าห้องแอร์เย็นละเราไม่เห็นทุกข์ที่ไม่เห็นทุกข์เพราะเราไม่สนใจจะดู ทุกนั้นไม่ใช่ยากเกินไปที่จะรู้นะเราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองการรู้ทุกนั่นแหละการปฏิบัติทำนะคอยรู้ทุกให้ดีรู้ก็ลงไปในกายรู้ลงไปในใจใจเราก็มีความทุกตลอดเวลาเวลามีความอยากเกิดขึ้นที่ไรใจทุกทุกทีลองไปสังเกต ด, ดูว่าจริงไหมความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกเกิดขึ้นทุกทีในใจแล้วความอยากเกิดตลอดเวลาเลยรู้สึกไหมเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังนะ นั่งๆอยู่คนเราขามาถูกเราเราก็อยากขยับหรืออยากให้เขาห่างออกไปอยากให้เขาหายไปจากโลกเลยถ้ามาถูกเรามากเกินไปนะแล้น <c oughs> ตายตายเสียได้ก็ดีหรืออยากให้มันขาด้วนขามันเตะเราถูกเราความอยากนะั้นมันเกิดตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นที่ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่ดูเราโมต่ดูข้างนอกมวแต่ดูคนอื่นโมต่ดูสิ่งอื่นเราไม่ดูตัวเองอ่ชาวพุทธเราไม่ต้องไปทำอะไรมากนะหันมาดูตัวเองให้มากมาก หันมาดูร่างกายให้มากๆหันมาดูจิตใจให้มากๆาย้อนกลับมาดูตัวเองให้มากที่สุดเลยนะวันวันหนึ่งนะอย่าหลงนานเผลอตลอดเวลานะเผลอไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นะหาความสนุกความเพลิดเพลิอนอยู่กับโลกภายนอะกก็หลงโลกเท่านั้นเองถ้าเราไม่หลงโลกนะค่อยมาดูตัวเองมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองไปเรื่อยนะเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนนะหลวงพ่อไปศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์เข้าไปตามวัดเนะี่ย เข้าวัดไหนวัดไหนผู้อาจารย์พูดสิ่งเดียวกันนะเพราะมีผู้รู้มีผู้รู้ไว้ให้มีปิจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไว้จิตที่เป็นพุทโธบางทีท่านก็สอนสัมนวนแตกต่างกันนะบางองค์ท่านบอกให้ได้พุทโธนะเอาให้ได้พุทโธนะแล้วคนไม่เข้าใจก็ไปท่องพุทโธพุทโธแล้วถ้าท่องพุทโธแล้วไม่ลืมเลยหรือว่าได้พุทโธยังไม่ได้หรอกอะไรคือพุทโธจิตอะไรคือพุทโธ จิตนั่นเป็นตัวพุโทโธจิตนั้นแหละคือผู้รู้จิตนั่นแหละคือผู้ตื่นจิตนั้นแหละคือผู้เบิกบานนีเข้าไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยครูบาอาจารย์สอนให้มีพุโทโธให้มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตที่รู้สึกตัวนั่นแหละนในพอจับเคล็ดลับตรงนี้ได้นะเข้าไปวัดไหนนะรู้เลยถึงจะท่านจะพูดสำนวนแตกต่างกันนะเนื้อหาก็ อ, อันเดียวกันงั้นหลวงพ่อภาวนาเนี่ยนะหลวงพ่อจับเนี่ยมันไม่รู้เป็นอะไรนะคงเป็นกรรมนะส่งผลมาเข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเจอครูบาอาจารย์ดีๆ เจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมจันมหาบัวอะไรย่างเงี้ยเจอครูบาอาจารย์ดีๆเนียเยอะเลยแล้วท่านสอนสิ่งเดียวกันรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ถ้าพูดภาษาของเราทุกวันนี้นะรู้สึกตัวคนในโลกไม่รู้สึกตัวหลงตลอดเวลาเพราะฉั้นเร า, าหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวได้แล้วเราจะมีร่างกายเราก็รู้สึกถึงร่างกายได้มีจิตใจเราจะรู้สึกถึงจิตใจได้คนในโลกมันมีแต่คนหลงคนลืมตัวมีร่างกายมันก็ลืมร่างกาย มีจิตใจก็เลื่อมจิตใจก็เลยไม่ได้ดูว่าไก่นี้มันทุกข์นะใจนี้มันทุกข์ไม่เคยเห็นหรอกนะงั้นเรามาค่อยรู้สึกตัวนะการบ้านข้อที่แรกข้อแรกแรกเลยนะรู้สึกตัวให้เป็นนะรู้สึกตัวให้เป็นมาถึงวันนี้เนี่ยผู้ที่ภาวนานะเรียนฟังธรรมะมาแล้วรู้สึกตัวได้เนียนับจํานวนไม่ท้วนนับไม่ท่วนนะเมื่อก่อนหนวงพ่อเข้าไปตามวัดสำนักครูบาอาจารย์เนี่ย บางทีพาเพื่อนไปนั่งรถตู้ไปมาเข้าไปในวัดปุ๊บบางทีท่านบางองค์ท่านจิตไหวมากท่านหันกลับเลยมันไปรวมกันมาได้อย่างไงเยอะขนาดนี้อั น, นั่นแค่คนรู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าคนได้มากได้ผลนะคนรู้สึกตัวจริงมีน้อยมากเลยแต่ว่าพอเรามาฟังธรรมะเรื่องความรู้สึกตัวไม่ปล่อยให้ใจหลงหลงไปไหนมากที่สุดหลงไปคิดมากที่สุดนะงั้นอยากรู้อยากเป็นคนรู้สึกตัวเนี่ยให้รู้ทันใจที่หลงไป หลงไปคิดเนี่ยมากที่สุดเลยใจหนีเดียด ge, เด๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบรู้สึกมันรู้ทันมันไปเลยถ้าหาเครื่องช่วยไว้อันหนึ่งถ้าอย า, อยากจะรู้ได้เก่งๆจะเอพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะทํากรรมฐานอะไรก็ได้เอาสักอันหนึ่งก่อนจะพุโทโธไปก็ได้พุโทโธพุโทโธนะใจหนีแวบไปใจหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปหายใจไปใจหนีแวบนี่ไปคิดรู้ทัน นะการที่เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะั้นจิตจะตื่นขึ้นมาเพราะรู้กับคิดเนี่ยกลับข้างกันเมื่อไหร่จิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจิตไม่รู้เมื่อไหรจิตรู้เมื่อนั้นจิตไม่หลงไปคิดนะเนี่เราฝึกมากเข้ามากเข้านั้นจิต ไ, ไ, ลไนะลาาหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบ ร, รู้สึกเงี้ยจิตของเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงนะต้องหัดอย่างนี้นะไม่ได้จงใจรู้สึกตัวถ้าจงใจรู้สึกตัวพยายามบังคับตัวเองไม่ให้หลงเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าหลงนะเว้ยพุทโธพุท อย่างนี้เครียดเกินไปนี่คือการบังคับตัวเองไม่ใช่ตัวผู้รู้หรอกจิตเครียดไม่ใช่ตัวผู้รู้นะจิตที่เป็นตัวผู้รู้แท้ๆนะมันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันเบามันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันคล่องแคล่วมันว่องไวนะงานสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทำสมาธินะพอออกจากสมาธิแล้วท่านบอกว่ามีจิตเบามีจิตนุ่มนวลอ่อนโยนมีจิตคล่องแคล่วว่องไวมีจิตควรแก่การงานมีจิตซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไห ท่านนั่งสมาธิเพื่อให้ได้จิต ท, ที่เป็นตัวรู้นี้ขึ้นมาท่านไม่ได้นั่งสมาธิเอาอะไรต่ออะไรนะเที่ยวเห็นโนนเห็นนี่อะไรนี่ท่านไม่ได้เอาอย่างนั้นนะท่านนั่งสมาธิเพื่อให้มันรู้เนื้อรู้ตัวพูดง่ายๆอ่ะพอจิตใจมันรู้เนื้อรู้ตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะมันจะเบามันจะนุน่มนวลมันจะอ่อนโยนมันจะคล่องแคล่วว่องไวนะมันจะซื่อๆในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้สบายๆรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซื่อๆนะ เนี่ยเราต้ฝึกนะจนได้จิตชนิดนี้ขึ้นมาถึงจะเข้าชานไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะแนะนําให้ฝึกอย่างนี้นะท่องพุโทโธไปหรืออะไรก็ได้ท่องอะไรสักคำหนึ่งก็ได้นะหรือหายใจรู้ลมหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตไหมพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา หายใจไปแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วจิตนี้ผิดชิดรู้ทันเนี่ยจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเห็นไหมการดูจิตดูจิตเนี่ยเอามาใช้ตอนทําสมาธินี่นะงั้นดูจิตดูจิตตรงนี้ยังไม่ขึ้นไม่ปรัชนาหรอกนะการที่เราต้องคอยรู้ทันจิตเนี่ยจะทําให้เราได้สมาธิขึ้นมาหลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะหลวงพ่อไม่ได้พูดเองเพระพุทธเจ้าสอนไปอย่างนี้พวกเราเคยได้ยินคำว่าใรสิกขาไหมใจสิกขา เป็นบทเรียนสามบทที่ชาวพุทธต้องเรียนบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องการรักษอศีลนะพัฒนาจิตใจให้เกิดศีลขึ้นมานะบทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกขาเรียนเรื่องจิตเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อให้ได้สมาธิขึ้นมาบทเรียนที่สามปัญญาสิกขาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจของธาตุของขันธนะ์เพราะฉะนั้นตรงที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยนะ พุทโธไปจิตหนีไปเรารู้ทันหายใจไปจิตหนีไปเรารู้ทันเราจะได้จิตที่ส่งตัวเป็นสมาธิขึ้นมานะเนั้นดูจิตต้องระวังนะไม่ใช่ดูจิตแล้วเป็นมิปัสสนาเสมอไปไม่ใช่นะเพราะนั้นแต่ว่าจะอยู่ๆจะไม่ยอมดูจิตเลยจะพุทโธลูกเดียวพุทโธเราเคลิ้มอย่างนี้ไม่ได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นใช้ไม่ได้นะหายใจไปเราก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพุโทโธจะหายใจหรือจะทำกรรมฐานอะไรรู้ทันจิตเอาไว้นะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลแวบแวบแวบเนี่ยจิตจะค่อยตั้งขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่บอบกบ่าแล้วต้นนี้ต่างหากเราถึงขั้นจะเริ่มเจริญปัญญานะเพราะฉะนั้นรหัสเจริญปัญญานะมาแยกเลยร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตนะถ้าบางคนบารมีพอนะพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะขันแตกกระจายออกไปเองเลย เห็นเลยร่างกายมันเป็นของถูกรู้จิตอยู่ต่างหากเนี่ยเห็นความสุขความทุกข์มันแตกออกไปแยกออกไปนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตเห็นกุศลอกุศลมันแยกออกไปไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตเห็นจิตมันก็แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยถ้าบารมีเราพอนั้นพันแยกเองพอจิตตั้งมั่นขึ้นมามันแยกเองในบางคนบางคนพอจิตตั้งมั่นนะแต่บารมีมันไม่พอไม่เคยเจริญปัญญาพอตั้งแล้วมันก็ตั้งเฉยๆอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ ตรงนี้ต้องช่วยให้มันหัดแยกาธยาตุแยกขันธ์วิธีช่วยแยกาธยาตุแยกขันธ์คือคิดเข้าไปเลยใช้ความคิดช่วยพิจารณาลงไปในร่างกายเลยดูเลยผมนี่ก็ของถูกรู้ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่จิตนะผมไม่ใช่จิตนะลองดึงผมแต่วตนลองดึงผมดูสิลองสัมผัสผมตัวเองนะไม่ดึงของคนอื่นนะลองดูสิดูสิรู้สึกไหมผมเป็นสิ่งที่จิตมันไปรู้เข้าผมนี่ไม่ใช่ตัวเรานะ เป็นวัตถุท่านั้นเองพอจิตเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีเลยผมไม่ใช่ตัวเราะจับลองขนตาดูสัมผัสขนตาดูนะเห็นไหมมันเป็นแค่วัตถุมน่ะจิตเป็นคนไปรู้มันเข้าะเนี่ยช่วยหัดพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ช่วยมันคิดช่วยมันพิจารณาอันนี้สําหรับคนซึ่งอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าช่วยมันพิจารณาแต่ถ้าพอมอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะจิตมันตั้งมั่นปุ๊บขันธ์มันแตกตัวออกเลยแล้วมันจะแสดงไตรลักษณ์ทันที ตรงที่เราคิดพิจารณา ก, กายเนี่ยยังไม่ขึ้นมีปัจจณาแทนะ้เป็นอูบายไม่ให้จิตมันไปปิดอยู่ในความสุขความสงบเฉยๆเท่านั้นเองนะนะแล้วเราค่อยๆฝึกนะให้กันบ้านหัดรู้สึกตัวบ่อยๆวิธีที่จะหัดความรู้สึกตัวนะค่อยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตหนีไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกเราจะรู้ทันจิตที่หลงไปคิดได้อย่างดีได้อย่างรวดเร็วถ้าจิตเรามีที่อยู่ไว้อันหนึง่งพอมันหลุดออกจากที่อยู่อันนี้เราก็จะรู้แล้วว่ามันหลงไปละ เช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจนะจิตหลุดจากพุโทโธลืมพุโทโธเมื่อไหร่มันก็ลืมนั่นแหละหลงนั่นแหละหายใจอยู่จิตลืมลมหายใจแล้ก็หลงไปนั่นแหละหรือหายใจอยู่หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะรู้ทันอย่างนี้นะจิตจะตั้งขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวตัวนี้แหละคือตัวที่จะแตกหักว่าเราจะทําเจริญปัญญาได้ไหมนะถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะ ที่หลวงพ่อใช้คําว่าจิตตื่นจิตตื่นหรือจิตตั้งมั่นอะไรเนจิตถึงฐานเนี่ใช้หลายสำนวนนะถ้วแต่ละคนฟังแล้วเข้าใจด้วยภาษาที่แตกต่างกันเราก็ใช้ภาษาที่แตกต่างกันรวมกลางก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองถ้าจิตไม่มีความตั้งมั่นไม่มีสมาธิไม่ทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะอย่ามาพูดเรื่องเจริญปัญญาเลยทําไม่ได้จริงหรอกได้แต่คิดได้แต่คิดเรื่องร่างกายนะแต่ว่าไม่มีปัญญาจริงหรอก จะต้องมีจิตที่พร้อมแต่กับการเจริญปัญญาคือจิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาให้ได้ต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะขึ้นถึงวิปัสสนาแท้ๆมันน่าเสียดายพวกเราชาวพุทธจานวนมากที่อยากทํำวิปัสสนาเราไม่เรียนเรื่องจิตเลยอยู่ๆก็เอาสมาทานศีลห้าเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิก็เคลิ้มๆไปนะเคลิ้มได้ที่แล้วก็ถอยออกมาแล้วบอกเจริญปัญญาคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆหรอก ต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้ก่อนะฝึกจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมาผู้รู้ก็คือไม่ใช่ผู้จิตผู้จิดก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยไม่ใช่ผู้หลับผู้ฝันจิตของเราฝันทั้งวันจิตของเราฝันทั้งคืนนึกออกไหมกลางวันก็ฝันนะกลางคืนก็ฝันคิดเลื่อยเจื่อยไปคิดอะไรก็ไม่รู้บางทีแล้วพยายามฝึกให้ได้ตัวนี้ก่อนนะหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อหัดมาแต่เด็กๆ หัดสมาธิหัดลมหายใจนะหัดแล้วก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาแต่ได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วเดินปัญญาไม่เป็นมีตัวรู้อยู่อย่างนี้ยี่สิบสองปีติดสมาธิอยู่เฉยๆยี่สบสองปีเราไม่มีบุญวาฒนานะห่างไกลครูบาอาจารย์คนกรุงเทพสมัยก่อ น, นยังไม่มีบุญนะคนอีสานมีบุญนะคนอีสานมีครูบาอาจารย์เขาจนกว่าพวกเรานะแต่เขามีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระแท้ๆเยอะเลย ท่าอื่นก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าอยู่ไกลๆที่อยู่ใกล้ๆพวกเราไม่ค่อยมีนะนี่พอไม่มีครูบาอาจารย์บอกวิตรีเจริญปัญญาหลงวงพ่อเขาไม่รู้จะทํำยังไงทุกวันก็มีแต่จิตตั้งเป็นผู้รู้อยู่นะบางวันก็สงบดีบางวันก็ฟุ้งไปบ้างฟุ้งไปก็ทําสมาธิกับมาสงบบ้างเนี่มีผู้รู้นะแต่เดินปัญญาไม่เป็นเพราะฉะนั้นพอได้ตัวรู้แล้วอย่าลืมไปหัดแยกธาตุแยกขันไว้ตัวนี้ตัวสําคัญนะ คนไหนถนัดดูกายก็ดูเลยร่างกายเป็นของถูกหลูคนไหนชอบดูจิตก็ดูไปเลยกิเลสเป็นของถูกหลูความสุขความทุกข์ทางใจเป็นของถูกหลูความสุขความทุกข์ทางร่างกายเป็นของถูกหลูนี่คนไหนถนัดดูนมามธรรมก็ดูไปก่อนแยกนมามธรรมก่อนนะคนไหนถนัดดูรูปธรรมดูกายอะไรนะก็แยกกายกับจิตก่อนนะแล้วแต่ถนัดนะสุดท้ายมันจะได้ทางกายทั้งจิตไม่มีหรอกพระอรหันต์หรือพระอริยะอะไรที่รู้อันเดียว ก็รู้ต้องรู้ทั่วถึงขันห้าทั้งหมดนะจนเห็นเลยขันห้าทั้งหมดไม่มีเรานั่นแหละนี่เป็นพระโสดาต้องปล่อยขันห้าได้หมดทุกขันนะนี่เป็นพระรหารในพวกเราที่ภาวนาติดสมาธิติดสมาธิแล้วทรงนิ่งอยู่อย่างนี้เฉยๆไม่เห็นขันที่จะไม่ใช่เราเลยทุกขันเป็นเราหมดเลยอีกพวกหนึ่งจิตนิ่งทื่ออยู่อย่างนี้นะแต่ว่าเห็นรูปธรรมนา ม, มาทำเคลื่อนไหวได้จะเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวงอุตสาห์ไปเก็บเอาไว้อยู่ตัวหนึ่งไม่มีทางหรอกไม่ได้กินหรอก งั้ต้องดูนะกระทั่งตัวจิตก็เกิดดับอยากคิดว่าจิตไม่เกิดไม่ดับนะคนละตัวกันนะสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับคือพันธิพานตัวจิตยังเกิดยังดับอยู่ะนะแต่ว่าถ้าเราภาวนาเมื่อไหร่จิตทิ้งขันไปจิตทิ้งขันแล้วเนะี่ยมันจะเปลี่ยนไปจิตจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาะเป็นธรรมธาตุเป็นธรราตุธาตุของธรรมธาตุรู้ธรราตุรรารรารราตัวนี้มันรวมเข้ากับความว่างนะ รวเข้ากับความว่างทรงตัวอยู่อย่างนั้นจิตกะระทำนะเป็นอันเดียวกันจิตกระทำอย่าเป็นอันเดียวกันก็ทรงตัวอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืน น, นี่บางทีฟังไม่ดีนะก็เคยคิดว่าจิตไม่เกิดไม่ดับจิตมันเกิดมันดับนะธาตุนิพพานคนนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่จิตไม่ใช่นิพพานนะอย่าไปคิดว่าจิตคือนิพพานคนละโรกกันคะเรื่องอะไร จิตอยู่ในขันนะปล่อยวางจิตหรอกถึงจะเห็นนิพพานพอจิตที่ปล่อยวางจิตไปแล้วปล่อยวางขันทั้งหมดแล้วจิตกระทำนะมันมันเชื่อมเหมือนกันกลืนเข้าด้วยกันเลจิตกระทจิตมันทรงธรรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตืน่นไม่มีอะไรปรุงแต่งมีความสุขล้วนๆ อ, อยู่อย่างนั้นเลยนี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะเ ร, เราฝึกนะมันฝึก สรุปขั้นแรกถือศีอ 1, อนะออลห้าไว้ข้อที่หนึ่งถือศีลห้าไว้ะพอถือศีลห้าแล้วข้อที่สองมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยการรู้ทันจิตที่หลงไปนะพอรู้ทันบ่อยๆนะจิตจะตื่นขึ้นมาหลงไปคิดแลรู้หลงไปคิด ร, ดรู้จิตก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วจิตพร้อมที่จะเดินตัญญาล้วแยกธาตุแยกขันไปเลย เห็นร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายกับจิตเป็นโค้ล้านกันนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นอีกร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายแล้วความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะปวดมากๆเมื่อยมากๆใจกระสับกระสายนะเห็นอีกความกระสับกระสายไม่ใช่ร่างกายความกระสับกระสายไม่ใช่ความปวดเมื่อยความกระสับกระสายไม่ใช่จิต ความกระสับกระสายเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดแยกไปด้วยนะถ้าไปจิตมีความโกรธขึ้นมาก็ดูอีกความโกรธก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดดูไปด้วยถ้ายังเห็นความโกรธไม่ใช่จิตนั่นก็จะเห็นเลยความโกรธไม่มีตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ถ้าเมื่อไหร่สามารถแยกขันออกไปได้นะด้วยปัญญาจริงๆไม่ใช่จงใจดึงให้แยกนะแยกด้วยปัญญาได้จริงๆแะมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนได้นะนี่ตัวนี้ถึงจะยากหน่อยพวกเราอดทนนะอดทนฟังแล้วฟังอีกไม่ยากเกินไปหรอกคนที่อดทนฟังหลวงพ่อนะบางคนเขามีซีดีอยู่แผ่นเดียวนะเขียจนจดหมายมาขอบคุณหลวงพ่ออเขามีซีดีอยู่แผ่นเดียวเขาฟังทุกวันเลยแต่ละวันเนี้ยความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกัน แล้วก็ใจของเขาก็หลุดออกมาจากโลกของความคิดนะใจเขาเห็นเลยธาตุขันส่วนธาตุขันจิตส่วนจิตเขาเห็นว่าความทุกข์มันตกหายไปความทุกข์มันหล่นลงไปเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นเคยความทุกข์เข้ามาคลุกอยู่ที่หัวใจเดี๋ยวนี้เห็นความทุกข์อยู่ห่างๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยเขาฝึกกันนะไม่ได้ยากอะไรเลยบางคนฝึกเดือนสองเดือนก็เห็นอย่างนี้แล้ว จิตเป็นอย่างนี้ได้แล้วนะความทุกข์มันจะหายนะแล้วถ้าเมื่อไหร่ใจเรามีปัญญาใจเราถอยตัวออกมาเป็นคนดูเรื่อยไปแค่ตอนที่จิตถอยตัวออมาเป็นคนดูจิตทรงสมาธิอยู่ความทุกข์ก็หายไปเยอะแล้วยิ่งถ้าเกิดปัญญาเห็นความจริงเนี่ย น, นะมันจะขาดจากความทุกข์เด็ดขาดเลยจิตจะขันจะปลากออกจากกันขันนั่นแหตัวทุกข์นะแล้วจิตจะขันปลากออกจากกันแะ้วก็ไม่มีความทุกข์เข้ามาถึงจิตใจอีกต่อไป ก็ถัดจากนั้นก็เรื่องภาวนาไปเห็นจิตอีกจิตเป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางจิตอีกทีหนะึ่งก็ปล่อยวางจิตอีกทีหนึงก็หมดแล้วไม่มีอะไรแะเห็นไม่มีไม่มากนะสรุปนะรักษาสิ่ห้าไว้นะฝึกจิตอย่าให้หลงไปคิดนะให้คอยรู้สึกตัวจิตไหลไปรู้สึกไหลไปคิดรู้สึกรู้สึกได้จิตเป็นตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมาถัดจากนั้นแยกธาตุแยกขันธ์ดูมไปด้วยนะมันจะล้างความเห็นจิตว่ามีตัวมี ต, มตน ตรงที่ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้จะเป็นทัศนดาบันไดนดูลงไปในถัดจากนั้นก็ดูธาตุดูขันนั่นทํางานเรื่อยไปปัญญาแก่รอบขึ้นมามนจะเห็นว่ากายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะกายไม่ใช่มีทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนที่เคยเห็นนะถ้าเห็นตรงนี้มันจะหมดความยึดถือในรูปนะหมดความยึดถือในกายไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสปรทัปะทั้งหลายนะไม่กระเพื่มหวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายไม่มีกรรมได้ปฏิฆะ เป็นภูมิของพระอนาคาถ้าจากนั้นจิตมีจะทรงตัวเด่นดวงอยู่ไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วสมาธิมันบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์คือจิตไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงแต่ทางใจนะหลงอยู่ที่ใจนี่เองใจยังปรุงโน้นปรุงนี้อยู่แล้วก็จะไปเริ่มไปเห็นนะถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นะพระอนาคาชอบไปเห็นอย่างนี้นะหลวงปู่ดุลเคยสอนมา บอกส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติพอมาถึงตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้เลยผ่านไม่ได้แล้วท่านเลยสอนบทเรียนอีกบทหนึ่งนะต้องปล่อยวางจิตให้ได้อีกทีหนึ่งไม่งั้นไปสังวลรักษาจิตอยู่อีกทีนะแต่ตอนแรกนี่ต้องสังวลรักษาจิตก่อนนะให้จิตเป็นผู้รู้ก่อนนะจิตผู้รู้เหมือนเรือยังไม่ขึ้นบกเอย่าเพิ่งทิ้งเรือยังมีกิเลสอยู่อย่าเพิ่งทิ้งเรืออย่าที่ อ, อ, า, ท อ, อาทิ้งจิตผู้รู้ จ น, นาทีสุดท้ายที่จะข้ามสังสารวัตรนั่นแหละมันจะปล่อยตัวผู้รู้เพราะมันเห็นแจ้งในตัวผู้รู้นะว่าตัวผู้รู้นั่นแหละตัวทุกขนะ์แหละไม่ใช่มีอะไรเป็นตัวทุกข์มากกว่านั้นอีกแล้วทุกข์สุดๆก็ตัวผู้รู้นั่นเองถ้าเห็นตัวนี้สลัดตัวผู้รู้คืนโลกไปคราวนี้เข้าถึงทำแท้ๆแล้วนะวราพ้นทุกข์แท้ๆแล้วใจยังไม่มีอะไรเข้ามาปรุงได้อีกต่อไปนี่วันนี้หลวงพ่อมาคราวแรกนะั่นเลยสอนภาพแมกครนะตั้งแต่ต้นเลยนะจนแตกหักวางผู้รู้เลยนะ อยู่ที่พวกเราไปทำเอาหลวงพ่อเคยฟังธรรมะอันนี้จากหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายที่ไปกราบท่านสามสิบหกวันก่อนท่านมารณภาพปกติไปกราบท่านเนี่ยพอฟังธรรมเสร็จแล้วลาแล้วไม่นั่งเรื่อยเชื่อชื่นชมบารมีอย่างนี้ไม่เอานะเสียเวลาบารมีท่านไม่ใช่บารมีเราเมื่อได้ชมบารมีท่านบารมีเราไม่มีเพราะฉะนั้นกราบเรียนธรรมะกับท่านละบายบายหลวงปู่เลยนะเออกมาภาวนาของเราเอง เป็นอย่างนี้ทุกทีนะใจจะไม่มีผูกพันเลยนะรักท่านนะเคารพท่านนะตายแทนท่านได้นะแต่ไม่เกาะเกี่ยวต้องพึ่งตัวเองนะฝึกตัวเองมาแบบนี้เองนะฝึกมาเรื่อยๆนะจนครั้งสุดท้ายไปหาท่านเราไม่รู้หรอกว่าท่านใกล้จะมรณภาพนะไปถึงท่านก็สอนยอแยะเลยสอนมาตั้งแต่บ่ายจนค่ำนะจนกลางคืนท่านหอบแล้วหอบอีกนะอายุตั้งเกนะ้าสิบหหอบหอ บ, หอบ หลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะไปแล้วจะไปแล้วเหร อ, อยังไปไม่ได้นะจำไว้เอกนะเพราะผู้รู้ทําลายผู้รู้นะพบจิตทําลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านทิ้งรองรอยไว้ให้นะเม็ดเจอหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านบอกทําลายผู้รู้ทําลายจิตนี่ก็คือไม่ยึดถือมันะแต่ท่านก็ไม่บอกว่าทําไงถึงยังไม่ยึดถือมันนะต้องเห็นใจ ร, รักหรอกถึงยังไม่ยึดถือแล้ะพวกเรา หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์นะเอาสิ่งที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์มาบอกต่อแล้วนะงั้พวกเรามีหน้าที่จำไว้ก่อนแล้วภาวนาไปวันใดที่เข้าใจแล้วพวกเรามีหน้าที่บอกต่อชาวพุทธมีหน้าที่สองอย่างนะทำประโยชน์ของตนเองทำประโยชน์ของผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทนะเราต้องทำต่อนะช่วยกันรักษาพระศาสนาออไปอย่าให้ขาดรุ่นลงในช่วงชีวิตของเรานะ อย่าให้พระศาสนาหายไปในช่วงชีวิตของพวกเราอย่านึกว่าพระศาสนามั่นคงนะหลวพ่อจะบอกให้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเมืองไทยมีพระสามแสนกว่าองค์นะพรรษาที่ผ่านมาที่ออกพรรษามาเนี่ยมีพระแสนกว่าองค์นะเหลือเท่านี้แล้วนะเนรหายไปแล้วเหลือแต่เนรฤดูร้อนเนรฤดูฝนน่ะแทบไม่มีเลยเนรมันมีเป็นฤดูกาล อย่างกับลูกมะม่วงนะมีเป็นฤดูมันออกฤดูร้อนเห็นมันเหลืองๆ เ, เหมือนกันมั้งคนที่จะบวชนานๆหายากเต็มทีะบวชห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันบวชนากนหัวยังไม่หายเจ็บเลยก็สึกละนุ่งผ้าห่มผ้ายังไม่เป็นก็สึกละเนี่ยรอแร่เต็มทีนะ แล้วก็ชาวพุทธเราที่เป็นชาวพุทธแท้ๆมีสักเท่าไหรนะ่มีแต่ชาวหลงโลกนะชาวพุทธที่จะเรียนธรรมะจนถึงขั้นที่จะมาเจริญตัญญาอันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนามีเท่าไหร่มีน้อยเต็มทีนะอย่างมากก็ทำทานถือศีลทำอะไรให้มันเฮงเงไว้ก่อนนะนะข้าวัดก็ขอขอโน่นขอนี่นะขอรวยส่วนใหญนะ่ขอเราต้องการแค่นี้นะนะ คนที่จะรักษาสืบทอดภศศา ส, สนาจริงๆที่จะเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆเหลือน้อยเต็มทีพวกเราต้องช่วยกันนะนันเรียนให้รู้เรื่องนะแล้วก็สังเกตลงไปเรียนรู้นะให้จิตฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเรียนรู้ภารู้ขันของตัวเองไปรักษาศีลห้าไว้ศีลห้าก็พอนะศีลห้านี่แหละฝึกไปเรื่อยพอถึงเกณฑ์เป็นท่านาคาได้นะฝึกไป อ้าวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะอะไรนะข้อสี่สิข้อสี่พูดเพอร์เจอพลาดง่ายมากเลยนะอ้าวเชิญเชิญมีไหมไม่มีหลวงพ่อจะได้ไปเดี๋ยวมีอีกงานหนึ่งเมื่อเช้าก็ไปมาที่หนึ่งแล้วราชการค่ะอยู่ไหนไม่เห็นอ๋อก็หนูก็ปฏิบัติแนวของหลวงพ่อเทียนนะคะ วันนี้นได้หลักห<อ>ลวงพ่อเทียนจริงหรือเปล่าหลวงพ่อเทียนให้ขยับมือเพื่ออะไระเพื่อให้รู้สึกเออเพื่อเขยา่าธาตรู้นงะก็ปลุกตัวรู้ขึ้นมานั่นแหละเอ <c oughs> ไม่ได้มีกันบ้างมาส่งจะมาขอกันบ้างจากหลวงพ่อมากกว่าพ่อะตอนนี้หันรู้สึกตัวให้เป็นน ะ, ะหันรู้สึกตัวให้ได้นะใจมันหลงไปคิดรู้ทันใจมันหลงไปคิดรู้ทันขยับไปนี่แหละแล้วใจหนีไปคิดแล้วร่วงหลวงพ่อเทียนเน่ยสอนไว้เองนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติ พอรู้ว่าจิตคิดทําไมเรียกว่าต้นทางทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดเมื่อได้จิตรู้แล้วก็ได้ต้นทางที่จะเจริญปัญญานะถ้าไม่มีจิตรู้อย่ามาพูดเรื่องปัญญาไม่มีหรอกนะงั้นต้องหัดให้จิตเป็นผู้รู้ให้ได้นะวิธีหัดให้จิตเป็นผู้รู้คือถ้าจิตหนีไปคิดแล้วรู้ไวๆทาได้ไหมยากมากเลยครับเพราะว่าระหว่างนี้ต้องใจหลวงปู่ดูลบอกว่าการปฏิบัติน่ะไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ จะเถียงหรือเ <c oughs> ถียงหลวงปูด่ดนเหรอกลางวันนีมน่มันต้องใช้งานมันต้องใช้สมาธิเยอะแล้วมันจมไปแล้ม่เป็นไรั น, นหมดเลยเอาตั้งแต่ตื่นนอนหลวงพ่อฝึกตอนเป็นโยมนะหลวงพ่อไม่ได้หัดกรรมาฐานตอนเป็นพระแล้วนะตอนเป็นโยมนะั่นแหะทํางานตื่นขึ้นมาปุ๊บนะร่างกายนอนอยู่ท่าไหนรู้เลยนะเอจิตเนี่ยเวลาจะตื่นนะมันไม่ใช่ตื่นรวดขึ้นมานะมันค่อยกระเถิบขึ้นมานะ มีสเต็ปของมานะขึ้นมาเป็นช็อตช็อตอตชอหลุดพวกออกมารู้สึกขึ้นมานะรู้สึกขึ้นมาแล้วจิตมีความรู้สึกยังไงรู้ทันเลยเนี่ยเสร็จแล้วพตื่นปุ๊บแต่ละวันเนี่ยนึกได้เลยวันนี้วันจันทร์ใจขี้เกียจวันอังคารก็เบื่อเบื่อวันพุธสุดจะเบื่อวันพฤหัสนะมีความสุขวันศุกร์ดีกระดาเนี่ยเนี่ยแต่ละตื่นขึ้นมาก็ดูแล้วนะไม่ไม่ใช่รอว่าวันวันไม่ต้องภาวนาอะไรแล้วตอนค่ำไค่อยไปนั่งภาวนาไม่ได้กินหรอก ต้องทำตั้งแต่ในชีวิตจริงๆของเราเลยจะกินข้าวก็มีความรู้สึกตัวกินข้าวไปแล้วอาหารอย่างนี้ถูกใจพอใจรู้ว่าพอใจอาหารอย่างนี้ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบต้องรู้อย่างนี้เลยแล้วฝึกทั้งวันเลยเก็บเล็กเก็บน้อยให้หมดเลยนะนั่งรถอยู่รถติดรถติดมีความสุขไหมเออไม่มีความสุขเลยเซ็งพอเซ็งมากๆนะติดตั้งนานแนละ้วยังไม่ถึงที่ทํางานเลยชักกระสับกระส่ายแล้วไม่ใช่แค่เซ็งละ ภาษาสาษาตายระ่าเดี๋ยวไปไม่ทันอะไรเงี้ยเนี้ยรู้ทันทั้งวันเลยนะเวลาที่ทำงานก็ทำไปเวลาที่เหลือนี่แหละเยอะมากเลยวันหนึ่งทำงานไม่เท่าไหร่หรอกอย่างพวกที่นั่งทำงาน น, ะนั่งใจลอยซะเยอะเลยให้หลวงพ่อไปนั่งจับผิดไหมจ้างเรานะแต่ละบริษัทเนี่ยเราจะไล่คนออกได้เยอะเลยไอ้เพทยนั่งทำเป็นขยันเนี่ยใจหนีไปที่อื่นน่ะกลัวเลยเลิกเลย รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวมีกี่คนสิบหกชิ่วหลอตายระหวะ่าอ่ะค่ะกลับมัร ก, การหลวงพ่อค่ะก็ดิฉันฝึกปฏิบัติสายเวทนาค่ะฝึกมาประมาณสามสีป่ปีแต่ว่าพอจิตเป็นคนรู้เวทนาไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยก็ไม่ได้อะไรสิ <laughs> ก็ไม่ค่อยพอกลับมาก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามรูปแบบค่ะเสร็จแล้วก็มาฟังซีดีหลวงพ่อสักประมาณปีหนึ่งนะคะก็พยายามฝึกตามรู้ก็รู้สึกว่าก็ก็พัฒนาขึ้นมีจิตอัตโนมัติเกิดบ่อยขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้บ่อยมากค่ะปัญหาก็คอว่าอย่าทิ้งรูปแบบสิถ้าทิ้งแล้วจิตไม่มีพลังขี้เกียจนั่นแหละนานๆดูทีไม่พอนะค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าด้วยความที่พื้นฐานเดิมเนี่เป็นคนที่ฟุ้งซ่านง่าย เป็นคนที่หลงที่ลื ม, มน้องก็จะเรียกว่าแบบเป็นคนโป๊ะค่ะอืเพราะฉะนั้นเออคิดว่าพื้นฐานโดยโดยโด ย, โดยปกติเนี้ยสติไม่ค่อยมีกําลังค่ะมสมาธิไม่ค่อยมีต้องฝึกสิค่ะก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าแล้วก็อ๋อแล้วก็จะมีสภาวะที่ว่าคือ เ, เอเเวลาที่ฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยค่ะก็คือจะพยายามมาสม า, า, าี่หลวงพ่อสอนใช่ไหมคะแต่พอมาสมาธิเนี่ยมันก็จะรู้สึกเปิดคาดขันตัวเองคะ หลวงพ่อไม่เคยสอนสมถะช น, นิดคาดขั้นตัวเองหลวงพ่อไม่ได้สอนแต่ว่าทำเองผิดนะคะเออทำผิดซะสิค่ะนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะพุโทโธไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปอย่างสบายผ่อนคลายพุโทโธอย่างผ่อนคลายจิตที่ผ่อนคลายนั่นแหละจะเกิดสมาธิถ้าจิตเครียดจิตจะไม่มีสมาธินี่เป็นหลักเลยนะจํำไหมค่ะก็ที่เคยที่เคยฝึกก็คือว่าเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็นอนไม่หลับแล้วก็เออพยายามที่จะสมถะ ปรากฏว่าสมาธิไปก็ไปคาดคันที่สุดก็เลยคิดว่าเออเช่นนั้นก็ไม่เอาแล้วก็ปล่อยก็คิดว่าตาดูจิตไปเรื่อยๆแต่ไอตอนจังหวะที่ปล่อยเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเห็นว่าเออได้เห็นจิตที่มันไหลไปไหลไปเป็นระยะระยะได้เร็วขึ้นโน้เราฝึกอย่างนี้นะทํากรรมฐานนั่นแหละสักอันหนึ่งขึ้นมาอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตที่ไหลมันจะทําให้รู้เร็วถ้าลำพังดูในชีวิตประจำวันเราไม่ทําในรูปแบบเลยนะจะดูได้พักเดียว เดี๋ยจิตจะไหลไปต้องนานนะไหลไปสามวันแะล้วเพิ่งรู้ะต้องฝึกนะเราต้องต้องแบบนั่งหรือว่าเดินเป็นทําอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดทําอะไรแล้วสติเกิดบ่อยอ่อนนั้นแหละะแต่ว่าทํากรรมฐานใดๆก็ตามไม่ทิ้งจิตนะถ้าทิ้งจิตคือทิ้งแก่นสารสา ร, สาระของการปฏิบัติอยากจะทําสมาธิให้หลวงพ่อดูค่ะเพราะรู้ว่าทำแไม่ถูกไม่ต้องหรอกนะจิตหนูฟุ้งมากนะหนูบริกรรมไป สวดมนต์ไปก็ได้นะพุทโทรไปก็ได้เห็นร่างกายหายใจไปก็ได้เห็นร่างกายหายใจนะไม่ใช่ไปจ้องลมหายใจนะต่างกันนะเห็นร่างกายมันหายใจอยู่มีความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจอยู่นะลองทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วพอหายใจไปจิตหนีไปเรารู้จิตหนีเรารู้ฝึกอย่างนี้แหละอีกคำถามนึ่งคือเวลาถ้าเกิดว่ามีกิเลสแรงๆนะครับก็จะรู้แต่ว่าจะไม่สามารถต้องรักษาศีห์ห้าไว้ก่อนกิเลสไม่ได้เอาไว้จัดการนะ กิเลสเกิดขึ้นในกิเลสอยู่ในกองทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้นั้นกิเลสกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันถ้ารู้จริงๆนะกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตนะไม่กระทบกันหรอกกิเลสครอบจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกเจอกิเลสจะกระเด็นวับไปเลยแล้วถ้ายังผิดศีลอยู่จะควรจะทํายังไงดีคะถ้าผิดศีลอยู่หรอก็เตรียมไปอบาย <laughs> <laughs> <laughs> จ, ะจะทําอะไรล่ะก็ะต้องอย่างนั้นแหละนะต้องสู้นะ อย่าปล่อยอย่าปล่อยนะหนูต้องสู้นะหนูพ่อเชียร์ครับก็ผมได้มาส่งกันบ้านสนมพ่อเมื่อประมาณสักเกือบสามปีที่แล้วนะครับก็หลวงพ่อบอกว่าเริ่มรู้สึดตัวเป็นหลังจากนั้นก็ผมก็ปฏิบัติต่อเนื่องมาเรื่อยเห็นจิตเกิดดับทางหูทางตาได้นะฮะเห็นความอยากมันถดขึ้นมาหิว่าลมนะครับก็บางครั้งก็เอาชนะมันได้นะครับบางครั้งก็แพ้มัน บางครั้งก็เห็นว่าจิตบังคับมันไม่ได้นะฮะในสมมัิหลังที่เล็กเป็นจิบาทสุดท้ายบางครั้งก็เห็นว่าความไม่ชอบจิตที่มันฟุ้งบ่อยๆนะครับสนุบกระบอกรลาบผมพ่อว่าผมควรจะเสริมต้องแก้อะไรบ้างครับรู้นะรู้อย่างที่เขาเป็นไปรู้สภาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันจิตไปถ้าจิตเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสภาวะไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงเข้าไป เราภานาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะจิตทนอยู่ในภาวะนใดหนึ่งไม่ได้จิตบังคับไม่ได้เนี่ยเพื่อให้เห็นตรงนี้นะถ้าใจเขาเห็นใจเขาก็คลายออกก็ต้องเสริมสมรรถนะนะครับต้องทําบ้างนะต้อทําไม่งั้นจิตจะมัวจิตมัวไหมก็เป็นบ้างครับออนะนนถ้ามั ว, ม ว, มว โม่โม่มหรือมันฟุ้งไปนะมันเจริญปัญญาไม่ได้นะอย่ามรู้สึกนะอ้าเบอร์สี่ก็ต้องการหลวงพ่อครับคือฝึกมาได้สองสองปีครับคือ อ, อยกให้หลวงพ่อชี้แนะ น, นะครับว่าตอนนี้ได้มาถูกเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสบ่อยไหมก็เห็นบางทีจิตเปลี่ยนไปไหมรู้สึกเบาไหมเบาขึ้นไหมรู้สึกโลกห่างออกไปไหมรู้สึกถูกไหมฮะ รู้สึกว่าถูกน้อยลงทุกน้อยล ง, ยลงโรกมันห่างออกไปนะแต่ว่าเราไม่เอาความสุขความสบายแค่นี้นะภาวนาเนี่ยมาถึงตรงเนี้จิตจะเริ่มมีความสุขแนละ้วมันห่างโลกมาจิตมันแยกออกมาพอมันห่างโลกมีความสุขมันจะเพลินแล้จะขี้เกียจที่จะรู้กายรู้ใจต่อตรงเนี้เราไม่ยอมนะย้อนกลับมาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจใบ่อยรู้ทุกข์ให้มากมากแล้วดีนะ ถ้าไม่ยอมรู้ทุกข์นะภาวนาไปช่วงนะใจสว่างว่างออกไปข้างนอกแล้วก็ติดอยู่นี่นะไม่เดินต่อละกับนรมาส ก, การหลวงพ่อครับอขอถามสัน้นๆแล้วกันครับคือตอนนี้ที่ปฏิบัติมาเนี่ยไม่ทราบไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอยังไงบ้างแล้วก็ยังติดเพ่งอยู่เยอะไหมแล้วก็ควรจะทําอะไรเพิ่มประมาณติดเพ่งเยอะไม่เยอะดูง่ายๆนะถ้าเพ่งอยู่ก็นแน่นๆ่น หนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งมันแน่นน้อยลงไหมล่ะก็ก็รู้ไปเรื่อยๆผมไม่รู้แกก็คือพอพอพอเราพอรพู้พอรู้ตัวว่านะครับก็มันมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยเราก็รู้ต่อไปเรื่อยๆไม่ไมเพ่งเนี่ยไม่หายเพ่งไม่ใช่กิเลสนะเพ่งอ่ะเป็นการบังคับจิตมันเป็นกุศลนะตัวเนี้ย ตรงที่ปล่อยจิตตามกิเลสไปนั่นแหละอกุศลถ้า ร, รู้ทันว่าจิตฟุ้งเนี่ยจะหายฟุ้งทันทีแต่เพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งไม่หายหรอกรนะต้องดูลงไปลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพ่งมันเกิดจากโลภนะมันอยากดีอยากรู้ให้ชัดหรือบางทีไปดักดูเวลาอยากเห็นสภาวะชัดๆหรือไปดักดูสภาวะเนี่ยจะเกิดการเพ่งขึ้นถ้าเรารู้ต้นทางได้มันก็ไม่เพ่งนะไปดูให้ถึงต้นทางเพราะมันใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ทันนะ ครับครับครับฮะมันเข้าใจเปล่ากลัวหลวงพ่อมากไปไม่ต้องกลัวสิทําใจสบายะมันเพ่งอยู่ก็รู้ว่าเพ่งนะมันโลดขึ้นมาอยากหายเพ่งรู้ว่าอยากเนี่ยรู้ทันไปรู้ส บ, ส, บสบายฝึกให้มันมีความสุขนะอ้าว่าไปเบอร์กหก เคยฝึกเวทนามาหลายปีนะคะแล้วก็ติดจนว่าติดเพ่งมากค่ะแล้วก็ตรงหน้าอกติดก้อนแข็งแข็งเป็นก้อนผู้ใช่แต่ว่าระยะหลังมาฝึกแนวหลวงพ่อก็มาสอสามปีแล้วค่ะก็รู้สึกว่าตรงแน่นๆเนี่ยค่อยๆหายไปเก็จิตก็ค่อยสบายขึ้นอแต่ว่าตาเนี่ะยังคงแสบๆมีคงารู้สึกว่าติดเพ่งแสบๆไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าปวดๆเนี่ยเพ่งแสบๆเหรอ แสบแไปให้อะไรเขาเรียกอะไรจักูุแพทย์ตรวจเอ<ะ>อถ้าสงสัยอยู่นกันก็จะต้องใช้วิธีนี้ <c oughs> ต่ให้หมอดูให้นะ <c oughs> หลวงพ่อยังไม่เคยเจอภาวนาแล้วแสบแสบตาเคยจะปวดตาเพราะเอาตาไปดู จ, จริงเราดูได้ใจแต่เราไม่ชินเราเอาตาไปช่วยดูแล้ว <c oughs> เดียวก็ปวดเนา ะ, ะไปฝึกต่อนะแล้วก็ควรจะมีเครื่องอยู่ของจิต จะอยู่กับร่างกายก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ก็ได้นะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้ให้มันมีเครื่องอยู่ไว้แล้วพอจิตหนีไปเรารู้ไปมันจะได้สมาธิมากกว่านี้นะสมาธิอ่อนไปหน่อยนะค่ะมันฟุ้งฟุ้งไหมมีบ้างค่ ะ, ะไม่มีความทุกข์มากช่วงก่อนจะตืนนะะ่นแล้วค่ะอืมันจะ รู้สึกว่ามันแค้นมากเลยแล้วก็ดูที่ความแค้นยังไงก็ดูไม่หายแค้นลูกกับเปล่าไมใช่ก็มีความรู้สึกว่าจิตมันปีญญาบาทมากเลยค่ะห้ามไม่ได้รู้สึกไม่ห้ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆตรงที่ห้ามไม่ได้นั่นแหละธรรมะแหละที่เราหัดภาวนาแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้เห็นว่าจิตนี้แหละเป็นของบังคับไม่ได้เห็นไหมบังคับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ยังอยากบังคับอยู่ ให้รู้ตัดใจใจยังอยากอยู่ค่ะต่อไปนะต่อไปการนันาชการกับพ่อค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือมันมีวันหนึ่งคือเดินเข้าออฟฟิศแล้วก็หัดมองไอ้จอโทรทัศน์ซีดีแล้วอยู่ๆก็สว่างว่าขึ้นมารู้สึกเหมือนเห็นกาบอะไรนะคือเห็นกายทั้งตัวร้อหกสิบองศาค่ะก็ควรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่า เมื่อไรจิตมันมีสมาธิขึ้นมาส่งตัวขึ้นมาแล้วรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะะมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมไปหมดเลยะะค่ะแต่ว่าเราไม่จงใจน ะ, ะถ้าไม่มีอีกก็ อ, อย่าไปจงใจถ้าจงใจจะไม่มีอีกละค่ะเพราะว่าคือนอนสังเกตตัวเองคือเดินกับเดินออกกิคือพยายามจะดู ก, กายให้เยอะเพราะว่าตอนนั้นมึนกับทาน อ, อะไรประมาณนี้ถูกแล้วถ้ามึนดูจิตไม่ได้ต้องดู ก, กายพอดูกายปุ๊บ พอมีเช้ามาถึงที่บอกค่ะว่ามัมาถึงปุ๊บ ก, ก็คือสามรอสิบองศาเลยคือเห็นไกลๆว่านั่นแหละใจมันถอนตัวออกมานะเป็นคนดูสบายๆแต่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่ามันนะ้เป็นแค่ครั้งเดียวเลยค่ะออถ้าอยากอีกไม่เป็นอีกละไปก็จะก็เจอเลยค่ะค่อยฝึกไปนะเราจะเห็นนะขันมันแยกออกไปแสมมันเป็นคนดูค่ะแล้วมีความรู้สึกว่านิสัยส่วนตัวมีทิฏฐิเยอะอืม กับตัวตนเยอะอคือพยายามจะดูพยายามอ valu นเอตัวเองทุกวันว่าเอ๊ะทําไมเราเป็นคนที่ทิฐิเยอะกับตัวตนสูงอืคซึ่งก็จะพยายามแบบอืมใช่แล้วล่ะปฏิ์ทําไมมันถึงได้ตัวตนยังเยอะอยู่ถ้ามันไม่ได้นะให้รู้ทันมันค่ะยังไม่ใช่เวลาที่จะละควละขั้นกันค่ะแล้วมันมีนิสัยแย่ๆอีกหนึ่งด้วยค่ะคือ รู้สึกว่าจะเห็นกิเลสตัวเองเยอะเยอะเยอะจนกรั่งมันมีนิสัยหนึ่งอะค่ะว่าชับแขวะคนอื่นอืมนิสัยแขวะเออต้องถือศีลห้าไว้ก่อนอ๋อก็คือสิ่งข้อสี่อาจจะใม้ค่อยแตั้งใจนะทุกวันตื่นมาก็ตั้งใจรักษาศีลนะค่ะจําเป็นค่ะกราบขอบพระคุณหพ่อมากค่ะกราบน้มันสการหลวงพ่อค่ะ ห น, หนูอยากถามหลวงพ่อว่าที่หนูปฏิบัติมาค่ะหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อหนูเข้าใจอะไรอ่ะ <laughs> หนูเข้าใจว่าเวลามีเหมือนว่ามีตัวรู้ดูอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูมีความเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าเอออันนี้ถูกหรือเปล่าอย่าสงสัยเลยไม่จําเป็นต้องสงสัยนะค่ะ นี่ตอบแล้วนะเนี่ยโอ้ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องกําหนดอิริยาบถย่อยอะค่ะที่ว่าถ้าเกิดเราต้องกําหนดต่อนเนื่องอะค่ะตอนเนื่องแบบว่าเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยเรื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดอย่างนั้นนะคะหนูจะต้องทํายังไงอะคะจริงๆเราความรู้สึกตัวเป็นหลักไว้นะไม่ได้เอาอิริยาบถเป็นหลักก็<อ>า <พะ S 1> จิตเป็นหลักก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ไปเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าต้องอผ้าอาจารย์ท่านบอกว่าต้องให้ทํเาเราไปอยู่ในคอร์ส ต, ตรงนั้นน่ะคะ่ะแล้วเราต้องทําหนูจะต้องทํำยังไงอ่ะคะ่ะก็ทําอย่างที่เขาสอนสิไปเข้าคอร์สเขาอ่ะหนูกลัวว่าเร <c oughs> าไปทําอย่างอื่นเขาก็ไล่ออกมาจากคอร์สสิ <c oughs> หนูกลัวว่า <c oughs> ถ้ากลัวก็อย่าไปเข้าคอร์สสิพ <c> อ <oughs> <c oughs> ดีว่าของอืมโอกาสของที่ทํา ง, งานเขาจะ ส่วนใหญ่ให้ไปเข้าคอร์สแบบนั้นนะค่ะอาจารย์เราอยู่บ้านนะกระดุกรดิกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวกวาดบ้านไปค่ะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายกินข้าวเห็นร่างกายอาบน้ํานะใจเราเป็นคนดูเอาใจเป็นหลักไว้อย่าอยูอย่าบ่เป็นหลักทาทั้งหลายเอาใจเป็นใหญ่ไว้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อรู้สึกเป็นบ่อยขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อในแต่ละวันแต่สิ่งที่เห็นบ่อยคือโทสะค่ะเห็นปุ๊บ พอเห็นโทรศัพท์ปุ๊บจิตก็เศร้ามองหลังจากที่จิตเศ้ามองปุ๊บก็หายหายจากความรู้สึกโกรธอันนั้น เ, <อ>เล้ยนะค ะ, ใ, คะให้คอยรู้ทันอย่างนั้นแล้วก็เลยสงสัยว่าจริงหรือเปล่าหายจริงหรือเปล่ า, าเลยก็ไปคิดเรื่องที่โกรธเมื่อกี้มาถัดไปนะไ ป, ไปทําเหตุของความโกรธความโกรธก็เกิดเจ้าค่ะทําไมความโกรธหายไปเพะตอนที่เรามานั่งดูอยู่เนี่ยเราลืมคิดไปเจ้าค่ะพอเหตุมันไม่มีความโกรธมันก็ดับนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยแต่ สิ่งที่รู้สึกจะเรียกว่าดีใจคือเร็วเร็วขึ้นเห็นเร็วขึ้น<ด>วันวันวึงจะเห็นบ่อยมากคือตัวโทสะเนี่ยตัวผาพวกโทสามากๆนะมีบุญนะพวกโทสะเป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดนะนั้นเราเห็นโทสะเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปใจเราดูสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นโกรธกราบน้ำสการค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยดูจิตเลยเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นต้องขยับกัด เวทนาได้ทําอะไรก็ได้ทีนี้พอดูเวทนาจะจะเห็นความร้อนเนี่ยทั่วร่างกายเลยะคะ่ะหลวงพ่อร้อนนี่คือโทสะกิเลสหรือเปล่าคะไม่ใช่ไ ม, <ส>ไม่ไม่เกี่ยวะค่ะเรารู้สึกอยู่ในกายบางทีก็เห็นธาตุไฟนะค่ะทีนี้มีเวลาทํารูปแบบวันละสักสองชั่วโมงเนี่ยเราจะดูสวดมนต์แล้วดูจิตไหลไปคิดหรือว่าเราจะอะดูเวทนาก่อนแล้วค่อยดูมาถึงจิตอันนี้ต่างกันเลยคะหลวงถนัดอะไรออนนั้นแหละ ทางใครทางมันไม่เรียนแบบกันค่ะแล้วเมื่อเมื่อเดือนก่อนจนะไปเข้าคอร์สดูเวทนาปรากฏว่าก็เห็นวันหนึ่งเหมือนมีตัวอย่างกัรละสักกายาทิฐิให้ดูรู้สึกเบามากเลยแต่ว่าวันเดียวก็หายไปไม่จริงค่ะอีกวันก็มีผู้รู้แล้วก็เหมือนชายหนังก็หายไปพอเอคือที่เห็นนี่เห็นตัวอย่างของจริงใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ไม่ได้คิดเอาเองเออใช่ไหมคะเห็นนะเห็นนะเห็นมันไม่ละค่ะก็คือ <laughs> หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเรากลับมานี่กลายเป็นเถีนโถสะที่เคยเป็นโถสะเล็กๆที่เรามองผ่านไปกลายเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เห็นปุ๊กจากใจที่มันเคลื่อนใจกับเพื่อมกับเพื่อมทั้งวันเลยค่ะหลงอย่างหลงอย่างหลงหลงุก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะชักไม่แน่ใจว่านี้ทําถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ออย่าให้หลงก็แล้วกันครับรู้สึกไปเลยคือภาวนานะค่อยๆทําไป การภาวนาเนะ่เหมือนทำงานศิลปะนะเหมือนแกะสลักพระพุทธรูปสวยๆสร้าองค์เอาไม้อย่างดีมาแกะแกเย็นๆเดี๋ยวพระจะมุกแหวงค่ะเมือนการภาวนาอย่ารีบร้อนไม่ขี้เกียจทำไปเรื่อยแต่ไม่รีบร้อนนะรีบร้อนไปครับอบคุณครับรมัสการค่ะหลวงพ่อก็หนูก็ได้เข้าปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งมานานแล้วนะคะแล้วก็ แต่เริ่มจริงๆ เ, เริ่มจากซีดีหลวงพ่อก่อน mm hmm. นะคะแล้วก็ขับรถไปทำงานขับรถกลับก็ฝักทุกวันเลย mm hmm. แล้วก็เมื่อก่อนนี้เกลอมีไม่มีสินห้าทำกรรมเยอะมากค mm ่ะ hmm. โดยเฉพาะดื่มเหล้านะคะ mm hmm. แล้วก็ได้สมาทานสิน mm hmm. แล้วก็นั้นได้หายไปแล้ว mm hmm. มมีความรู้สึกว่าเปรี้ยวปากหรืออะไรใดๆแล้วมันได้หายไป mm hmm. ก็หลังจากนั้นก็ทุกวันทุกเช้าก็จ ะ, ะสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ก็จะมีความเกรงเวลานั่งสมาธิจะเกรงมือจะเกรงข้างหนึ่งนะคะตัวจะเกรงด้วยแล้วก็พอตอนเย็นกอดนอดไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็มนแล้วนั่งสมาธิอยู่ค่ะแล้วก็ก็ดูดูลงปัจจุบนันค่ะ ก็ดูว่าออย่างเมื่อกี้นั่งอยู่ก็จะเห็นว่านั่งนานๆแล้วก็ขาก็เริ่มมีตัวเตัวปวดตัวเมื่อยแทรกขึ้นมาก็เห็นจิตไปที่หลวงพ่อบ้างจิตมาอยู่ที่คนท่านอื่นบ้างแล้วก็เห็นตัวเมื่อยนี่โผล่ขึ้นมาบ้าง <c oughs> เห็นเห็นไปเห็นมาตลอดนะคะเห็นว่าดวงจิตมันขึ้นดับไปขึ้นดับไปตลอดเยอะมากจนเมื่อกี้ลองเปลี่ยนท่าดูเพราะปกติจะเปลี่ยนท่านั่งท่าเทพธิดาแล้ว ไอตัวเมื่อยนี่จะหายปรากฏว่าพอเปลี่ยนท่าปุ๊บเหน็บทานเลยค่ะเหน็บรับประทานขึ้นมาก็อร่างกายนี้ทุกจริงๆเห็นบ่อยมากเลยค่ะว่าคันนี้ทุกค่ะก็ยังก็คงจะนั่งสมาธิต่อไปก็ใช้ลมหายใจเป็นหลักเวลาที่ที่มันฟุ้งเฟอ้อก็กลับมาที่ลมหายใจนะคะแล้วก็เออก็จะทำต่อไปค่ะจำการบ้านที่หลวงพ่อให้ไวสามข้อนะคะก็ฝึกนะ จยให้ใจมันกระจายออกนอกไปจะ ใ, <ช>ให้ใจมันกลับบ้านเข้าบ้านแใจมันกระจัดกระจายอย่างสมมตมันกว้างออกไปนะรู้ทันมันนะย้อนกลับมาดูกายดูใจมันจะกลับเข้ามาถ้าใจมันออกนอกเนี่ยมันจะเดินปัญญาไม่จริงเนี่ยจะละกิเลสไม่ได้ค่ะหลวงพ่อขอบคุณค่ะนันทสการ์ค่ะถามสองคำถามค่ะคำถามแรกก็คือหนูฝึกมาสักพักแล้วละค่ะแต่ว่า พักนี้มันเหมือนรู้สึกว่าแบบมันเฉื่อยไม่ชอบใช่บบมันไม่เหมือนตอนใหม่ใหม่ที่แบบแบบเวลาฟังก็เออเราต้องแก้ไขยังไงมันไม่ชอบใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่เราไม่ชอบที่มันไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะรู้สึกมันไม่ดีเหมือนเดิมเออน่ะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบตัวเนี้ยตัวนี้ยแหละเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะชื่อกุกุจจากุกุจจาเนี่ยเป็นตระกูลโทสะ เคยดีแล้วไม่ดีอย่างใจนะก็ไม่ชอบนะให้รู้ทันนะเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะรู้ลงไปตัวนี้แหละก็เคยดูตัวนี้เราวต้องฝึกแล้วจิตมันจะเป็นกลางขึ้นมานะแต่สมาธิก็ทําไปทุกวันแหละอย่าไปทิ้งต้องทำแบบที่หลวงพ่อสอนใช่ไหมคะทำด้วยความรู้สึกตัวนะเช่นหายใจก็หายใจด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูมีความรู้สึกตัวไม่ใช่ทําสมาธิอย่างนี้นะ อย่างนี้นไม่เอาเลยอย่างนั้นมันโมหะต้องมีความรู้สึกตัวอยาให้ซึมถ่ากข้อนะคะสำหรับคนที่แบบยังฝึกไม่ค่อยดีอะค่ะแต่ว่ามีโอกาสส่งเสียงที่จะแบบไปได้ง่ายๆค่ะหลวงพ่อมีอะไรนะไม่ถึงตายง่ายๆค่ะอ๋อมีโอกาสตายง่ายค่ะอยากจะคืออยากให้หลวงพ่อแนะนำอะค่ะแบบว่าจะฝึกยังไงไม่ให้แบบจิตสุดท้ายมัน มันต้องฝึกก่อนจะถึงจิตสุดท้ายนะบางทีมันมันเคยเจอแล้วมันมันมันไม่ทันอะค่ะมันไม่ทันต้องฝึกต้องฝึกนะหลวงพ่อสมัยก่อนนะตอนหัดใหม่ๆนะใจมันชอบไหลไปพลุ ก, กอารมณ์ไหลทั้งวันน่ะเราพยายามฝึกให้มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่นะแล้วพยายามฝึกว่าเวลาจิตจะจับอารมณ์เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะขึ้นมาตั้งมั่นได้ฝึกอยู่นะจนเหลือวินาทีหนึ่งสองวินาทีนั้น ย่งกะว่าถ้าลดกว้างเนี่ยใจก็ตั้งขึ้นมาได้นะแล้วต้องฝึกเอาต้องฝึกมากกว่าเดิมแล้วลองจากเวลาอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่หรอกปัญหาใหญ่คือมันประมาทมันไม่ได้คิดว่าจะตายจริงใช่ค่ะใช่ไหมมัน ถ, ถ้าดูว่าตายตา ย, ตายไปก็และตอนใกล้ตายมันก็เสียวๆหน่อยพอห่างๆมาเราก็ลืมพี่เจรณาลงไปเลยว่าชีวิตนี้ตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นเราไม่ควรจะตายในภาวะที่เรายังไม่พร้อม เรเตรียมตัวเองให้พร้อมตายเมื่อไหร่ก็ให้ได้ตายพร้อมพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้นะขอบคุณมากค่ะอย่าประมาทนะมันเกิดจากประมาทนะั่นและเยังจริงๆใจเรายัางคิดว่ายังไม่ตายหรอกรว่าไงื อ, อ, อคิดจนไม่รู้จะถามอะไรครับแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเออตื่นเต้นรู้ว่าตื่นไม่ต้องถามก็ได้ <laughs> <c oughs> ค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะค่อยรู้ทันความรู้สึกทุกชนิดเนี่ย ทุกคนรู้ได้อยู่แล้วอย่างความโลภทุกคนก็รู้จักความโกรธทุกคนก็รู้จักใช่ไหมดีใจเสียใจความสุขความทุกข์อิจฉาพยาบาทเนี่ยเรารู้จักทุกอย่างเราก็แค่รู้ทันว่าตอนนี้ใจเรารู้สึกอะไรรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆมันจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ เดินตามร่องรอยหรื อ, อยังครับตอนนี้เดินตามร่องรอยหรือยังครับมีศีลไหมมีครับมีมีศีลก็เข้าร่องรอยแล้วรู้จักจิตที่ลงไปคิดไหมสงสัยมากเลยครับจุดนี้จิตแอบไปคิดบ่อยๆนะจิตมันหนีไปทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดจิตวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาอันนี้เคยเห็นบ้างไหมเช่นเราหัดพุดโทโธอยู่พุโทโธพุโทโธพุโทโธแปบ๊บเดียวทิ้งพุโทโธไปอยู่ที่อื่นแล้วนี่ยจิตหลงไปแล้ว หันะดซ้อมตัวนี้บ่อยๆนะถ้าซ้อมตัวนี้ได้ประจิตไหลไปเรารู้เราก็เข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นนะ่ะนถัดจากนั้นก็ค่อยมาแยกธาตุแยกขันดูเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้นะกุศลอกุศลเป็นของถูกรู้จิตเป็นของถูกรู้ฝึกเนี้ยอย่าง น, น, นี้ก็เข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นอย่างน้อยก็เข้าร่องเข้ารอยว่ามีศีลลนะ่ะถ้าไม่มีศีลเนนะ่ะออกนอกรอยไปละวกรรมฐานที่เหมาะ ก, กับเฉพาะกับ ผมไปดูกิเลสบ่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทันนะ่แล้วพระกับผมจะไปปฏิบัติเป็นคอร์สจะต้องวางตัวยังไงบ้างครับต้องไปถามเขาะนะ่าแต่ละคอร์สจะวางตัวไม่เหมือนกันหรอกแต่หลวงพ่อไม่เคยเข้าคอร์สนะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อก็ไม่เคยจัดคอร์สด้วย <c oughs> งั้นหลวงพ่อตอบเรื่องคอร์สไม่เป็น หลวงพ่อภาวนานะไม่มีเวลาเข้าคอร์สหรือเวลาออกจากคอร์สทั้งหมดคือเวลาภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเข้าใจตัวนี้แล้วก็สบายมากเลยเข้าคอร์สหรือไม่คอร์สไม่สําคัญแล้วครับขอบคุณครับขบันทมรัศกรครั บ, บ, รบส่งการบ้านครั้งแรกครับคือผมทําในรูปแบบอทุกเช้าครับก็คือนักสมาธิแล้วก็เดินจงกรมครับ แต่ผมใช้ลืมตาอืได้ส่วนใหญ่จะถ้าหลับแล้วจะหลับตาแล้วจะเคลิมส่สวนใหญ่ปกติผมจะเป็นโทสะเยอะครับแต่ช่วงหลังนี้เวลาที่นั่งเนี่ยจะเห็นจิตที่มาไปคิดได้เยอะที่ไหลไปคิดอือแล้วก็เวลาอ่านหนังสือนี่ จ, จิตจะสงบมากครับอือจนบางครั้งแบบเห็นตัวหนังสือมันค่อยๆลางไปอ่ครับแล้วเหมือนกับจิตมันก็หลงไปคิดอือแล้วพอรู้สึกตัวมันก็สว่างขึ้นมาอือ อันนี้ผมดูได้ถูกต้องไหยครับก็ดูถูกนะแต่ยาให้จิตมันไหลไปนะส่วนใหญ่เวลาเราดูหนังสือจิตมันชอบไหลไปครับมันไหลไปดูนั่นแหละนะก็ไหลไปดูเสื้พผ้าก็หนีไปจิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าจะดูหนังสือเรารู้ทันว่าจิตไหลจะดูหนังสือไม่รู้เรื่องนะแต่ดูจิตรู้เรื่องครับเป็นเป็นบางครั้งที่ที่ว่ามันไหลบ่อยๆมันก็จะไม่รู้เรื่องเพราะไก็ไปแล้ว แล้วก็มีล่าสุดที่ว่าผมเกิดอุบัติเหตุ น, น, นะครับพอดีรถตัดหน้ามันรู้สึกตกใจนิดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่เหตุการณ์มันขี้ลายแล้วก็เราก็ไม่รู้สึกโกรธกับกับเด็กสามคนที่ว่านักหน้าเราอะครับก็เลีกมาคุยเฉยๆแล้วก็อืไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็ฝึกไปนะต่อไปเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินนะจิตไม่สติดตัวกมา มันจะเห็นขันทํางานไปเช่นเห็นหัวกําลังหมุนหมุนจะโขบตรงนี้แล้วก็หลบนะมันจะอัตโนมัติขึ้นมาแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้สักสักสิบ ก, กว่าปีอะครับตอนนั้นคือยังไม่ได้มาทางนี้เลยคือมีรถรถยนต์ตัดหน้าเหมือนกันครับทีนี้ผมเห็นภาพมันค่อยๆสโลโมชัม่นเห็นว่าในหลาอย่างนั้นถ้าถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วเป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าเคยฝึกมาก่อนแล้วในชาติก่อนก่อน การปฏิบัติในชาตินี้จะไม่ยากมากเวลาเกิดไรฉุกเฉินห้จิตมันถอดตัวออกมาเป็นคนดูนะแล้วมันจะเห็นทุกอย่างเหมือนภาพสโลไปหมดเลยสติมันเร็วนั่นแหละมันไม่ได้สโลหรอกแต่สติมันเร็วมันเห็นเป็นช็อตชๆอชอนะไม่ค่อยอันตรายหรอกครับข อ, ขอบพระคุณมากครับเจนมาหาบัวท่านแล้วตอนลดคว้ำบอกท่านรู้ตัวหมดเลยจะขยับยังไงรู้ตลอดเลยถ้าฝึกไปมันอัตโนมัติเลย กานมัสการหลวงพ่อเป็นการส่งการบ้านในรอบหกเดือนครับตอนนี้จิตไม่ถึงฐานครับวิ่งไปที่หลวงพว่อในก็รชื่นชมสถานที่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกวันชมมากนะถ้าเกิดตายไปต้องมาเป็นเทวดาประจำนี้ที่ผ่านมาทุกวันไงนสวดมนต์เดินจงกรมทำสมาธินะครับ <c oughs> แล้วก็ในระหว่างวันช่วงขับรถก็ดูจิตไปด้วยดูกายที่ขับรถไปด้วย แล้วบังเอิญงานที่ทําไม่ต้องคิดตลอด <Ừ. S 2> ก็ดูจิตบ้างดูกายขยับไปบ้างครับไม่ทร <Ừ. S 2> าบว่าตอนนี้จิตมีกันไหมถึ ง, ถงจิตก็ดีนะนะแต่อย่าลืมทําสมาธิบ้างทําความสงบนะจะได้ไม่ฟุง้งซ่านช่วงที่ผ่านมาเคยทําสมาธิเยอะเราไปอยู่วัดหลวงพ่อบอก็ออ่โอมเยอะครับอย่าเลยช่วงนี้เลยเดินจมกรมกับขยับกายเป็นหลักมากกว่อแต่ว่าให้ใจมนอยู่กันเน้อก็ตัวนะจิตไหลไปรู้สึกไหลแล้วรู้สึกฝึกให้มาก ให้จิตมันถึงฐานจริงๆตั้งมั่นจะได้มีแรงครับแล้วตอนนี้มีแรงมากกว่าเมื่อปีที่แล้วไหมครับมีมีไหมล่ะก็คิดว่ามีครับเออหลวงพ่อก็ว่าแบบนั้นะหลวงพ่อคิดเห็นด้วยขอบขอบพระคุณครับแต่จิตถึงฐานหรือเปล่าขนาดนี้จิตถึงฐานไหมณเวลานี้ไม่ค่อยถึงครับอืมสอบผ่านขอบขอบพระคุณครับถ้าจิตไม่ถึงฐานนะภาวนาไม่ได้จริงหรอกมันจะฟู้ง กลันมัดกการหลวงพ่อค่ะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เหนื่อยเพื่อพวกเราี่ะนะนที่เหนื่อยเพื่อเสียตลาดเพื่อพวกเราให้รู้ตื่นเบิกปานะคะโอหลวงพ่อทําเพื่อพระพุทธเจ้าเอค่ะค่ะก็ส่งกันบ้านเลยนะคะก็เ อ, อเห็นเอร่างกายมันถูกรู้ถูกดูะคะ่ะแล้วก็เห็นใจมันอยู่ในกายมันเป็นที่อยู่ของใจอ่ะค่ะเห็นตามนั้นนะคะเห็นถูกหเห็นดีนะ มันเป็นครูหาอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าจริงๆค่ะใช่เห็นแล้วใจเป็นกลางไหมหรือใจไม่ชอบเฉยๆนะคะแค่เห็นว่ามันร่างกายเป็นที่อยู่อืแค่นั้นนะคะดูไปนะแล้วร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นเปลือกนะจิตก็วิ่งไปวิ่งมาดูออกค่ะแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์บังคับไม่ได้ดูอย่างนั้นนะแต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะตอนนี้ถึงไหม ตอนนี้ไม่อะคะออ่ะไม่มีสมาธิใช่ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เอจะส่งก็คือดิฉันเห็นจิตมันส่งไปทางอายตนะค่ะใช้ได้ดีค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เห็นแต่ว่ามันดึงกลับแต่มีล่าสุดเนี้ยเห็นว่าพอมันหลงไปแล้วมีจิตอีกตัวหนึ่งรู้มันเป็นคนระดวงกั น, นต้องอย่างนั้นสิพี่ดึงกลับค่ะแรกๆเป็นนะคะหลังๆ เ, เริ่มเห็นแล้วมันรูไอ้ตั ว, วที่หลงอะมันตัวหนึ่งไอ้ตัวที่รู้เป็นอีกตัวหนึ่งงอ่ไม่ต้องไปเอาคืน แล้วก็เห็นแค่เนี้ค่ะไม่เห็นอะไรเพิ่มนะคะอย่าอยากนะถ้าอยากเราจะไม่เห็นค่ะดูไปเรื่อยแต่ไปจะเห็นแต่ว่ารูปนามเนี่ยทํางานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆค่ะไม่มีคนไม่มีสัตว์ในรูปในน้ำทั้งหลายเลยคคค่่่ะะะแต่สมาธิต้องให้พอนะให้คิดถึงฐานจริงๆค่ะสมาธิไม่พอเนี่ยอริยมรรคจะไม่เกิดค่ะแล้วที่ดิฉันยอมปฏิบัติสมาธิทุกวันวันละเล็กละน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่าคะ หรือว่าเพ่งเกินไ ป, ปนถ้าทำแล้วเครียดก็เพ่งอ่ะค่ะค่ะ <มา S 1> ตามนั้นอย่าให้เครียดไปค่ะเครียดถ้าเพ่งนันงก็เครียดไปถ้าเคลิม้มเคลิมเนี่ยอ่อนไปเบาไปาไม่ดีค่ะมาสักการะค่ะ เ, เดี๋ยวผมขออนุญาตตัวแทนทุกท่านในทีนี้กล่าวคำถวายปัจจัยและฐานที่ท่านนำมานะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เรื่องปัจจัยไตยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์พระโมดปพามโธดโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบชิ่นการละนานเถิดเอธาวาริวะฮาปูราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวาอิโตจินนังเกตาณังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวาสมิชตุ สัพเพูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยทามานิโชติราโสยทาสภีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังุทธาปจายิโนจัตตารธรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง